ب ิ سم الله الرحمن الرحيم anhamrillahi ربي العالمين اللهم صلِّ على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เอาวัน <Ton> นี <sorting> ้เราก็มาถึงสุรเก่งของเรานะครับผมสุรอัลกาฟิลุนสุรักุญยานครับผม ในนี้คงจะท่องได้ทุกคนแล้วนะครับผมสุรักุนยาไอยูฮันแกฟิรูนนะครับรขอความคุ้มครองจากอัลละฮฺอาลลอุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรลรอจิมบิสมิลลาฮิรลอฮ์มานิลรอฮีม อุนยาอายุหันกาฟิรุนเน้นที่ตัวกอฟนะตกออฟเป็นกไก่ที่มันเต็มปากกอฟไม่ใช่กอฟออไก่เต็มปากกุนยาอยุฮันกาฟิรุน ลาอะบุดูมาตะบุดูนลาอะอลิปอะอยนอะถ้าอะธรรมดาไม่ใช่ต้องตุบิบคอต้องรู้สึกตุบิบคออะอ่ะ Ta'ak, samada tak? Bukan. l a a budu mata budun. w a l a antum a b i d u ma'abud. ว่าเราเป็นผู้ ت ุปถัมภ์ที่ดีที่สุด ละคุมดีนุคุมวาลียาดีนอันนี้ที่ตัวกราฟนะตัวกราฟตัวกราฟนี่เป็นกอไก่ที่ไม่ใช่กอไก่ของเราเป็นกอไก่พัดลมก้ากมีเสียงก้าละคุม um ไม่ใช่ละคุมลาคุมดีนุคุมวาลียาดีนอ้าวมาอ่านจริงๆแล้วนะ ب ิ سم الله الرحمن الرحيم قُلْ يا أيُّها الكافرُ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُ วَาเ ت ُ م ท <ولا> ุ่มอาบิดَนไม่อาบุดว่าเล่นอาบิดูไม่อาบัตูมว ยาซากาเล่คอยรันครับผมสำหรับทุกท่านที่ช่วยอ่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮ์วะบาริกาตุ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة ا ال ل وسلام ا ل على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي شرحي ص, د ص ا د ي ويسر لي أمر วะ حل العقدة من ل ال س ل س ا ن يفقه قولي اللهم ب и к أصبحنا و ب и к أمسينا و ب и نحيا و ب и نموت و إ ل ا ئ ك ن نشور أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر م ع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و ัวหอมใหญ่ร่ำรวยด้วย a l l a م พระเจ้ د และด้วยอิสลามศาสนาและ ل ้วยมุฮัมมัดศาสดาอาลัยฮ์โอ้พระเจ้าข้าจะไม่กลัวความยา ي ลำบากและความยากลำบากพระเจ้าข้าจะไม่กลัวการลงโทษในนรกและการลงโทษในหลุมศพโอ้พระเจ้าโปรดช่วยข้าในร่างกายของข้าโปรดช่วยข Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่า ah uh. นรองประธานสมาคมอิสลามเพื่อการศัตรูและพัฒนาสังคมที่ตึกอัญมณีอิสลามและขอต้อนรับพี่น้องมุสลิมีและมุสลิมะที่ให้เสียสลเวลามานั่ง หาความรู้ที่บริสุทธิ์ที่สะอาดที่สุดที่ดีที่สุดคือความรู้ที่มาจากอัลกุรอานและความรู้ที่มาจากสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮาไลฮุวาสัลลัมพี่น้องพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอ์ต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับ พอการรำลึกถึงอัลลอ์นั้นทำให้หัวใจของท่านพี่น้องเนี่ยสงบด้นานการชมอัลลอ์ที่ดีที่สุดมีอยู่คำหนึ่งก็คืออัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลานี่แปลว่าวบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์ซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลนุลัมเนี่ยสั่งนะก็บอกมาบอกว่าการชมอัลลอ์ที่ดีที่สุดก็คือให้ใช้คำนี้แหละ อ่านทำดยลินลพี่น้องการรำลึกถึงอัลลอ์เนี่ยทำให้หัวใจของเราสงบจริงๆพี่น้องแต่ต้องรู้ความหมายด้วยเมื่อกี้นี้ผมได้อ่านเป็นคืวอว่าอัซิการเป็นการรำลึกถึงอัลลอสามสี่สมสี่สามสี่บทนะครับฉันมีอยู่วักหนึ่ง ท่านนบีสอนให้เราขอให้เราอ่านตอนเช้าแล้วก็อ่านอ่านตอนเย็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่พี่น้องให้นึกถึงอวบเยอะๆมีอัลกัลหรือมีบท ด, ดูอาที่มุสลิมทุกคนนะครับพอท่านนบีเนี่ยทำเป็นแบบไวมัรดาสฮับบานนบีทําเป็นแบบไว้ก็คือมีทั้งหมดสิบเก้าดูอาดูกากัน19บทนะ ผมนำเสนอเพียงสี่ห้าบทเท่านั้นจะดูความหมายของมันสักบทหนึ่งนะครับโอ้ oh, Allah Allah ข um al ้ามินีอ้าวยูบิกามินาลกาซัลฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากความขี้เกียจขี้เกียจ ด, ดีไหมไม่ดีครับนี่ถ้าขี้เกียจมาเนี่ยในห้องนี้ไม่มีใครนั่งสักคนหนึ่งผมก็ขี้เกียจ ด, ด้วยก็ ไม่มีงานทํานะครับไม่ได้ทำงานกันอยู่ขี้เกียจกันหมดเลยพี่น้องจะท่านความความขี้เกียจไม่จะของดีเราเลยขอทวารต่อร้องให้เราเนี่ยอยู่ห่างกับความขี้เกียจเอาล้อคุ้มครองเราอย่าให้เป็นคนขี้เกียจวาซูอิลกิบารีขอความคุ้มครองจ้าวรอให้เราให้คุ้มครองเราเป็นคนที่มีอายุแล้วเป็นชาราแล้วแก่แล้วอย่าให้เป็นคนหลงห ล, ลงลืมลืม ดีไหมดีมากครับอย่าให้เป็นอัลไซเมอร์หลงหลงลืมลืมทานข้าวแล้วก็ยังไม่ได้ทานพี่น้องอะไรพวกนี้พี่น้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้เราห่างไกลาจากความมีอายุแล้วชาราแล้วหลงหล ง, ล, งลืมลืมหรือทําอะไรไม่ถูกลูกหลานกน็บนว่าพี่น้องเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ ผมขอทุกวันนครับอ Allahumma inni al a w j u บ i kaminal k a s a l i wasu il kibari ฉันขอความคุ้มครองจาก Allah ให้พ้นจากความขี้เกียจ wasu il kibari k i b อายุเยอะแล้วเป็นคนที่หล ง, ล, งลืมลืมออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกลูกหลายนประกาศหากี่หายไปไหนหายไปหนึ่งอาทิตย์แล้วดีไม่ไปนอกไม่ดีเลยฉะนั้นขอความคุ้มครองจาก Allah ไว้น บ, บีสอนต่อไปอีกนะครับ ว่ามันบัฟต์ใครที่เฉยชาความเฉยชาเนี่ยหเรื่องดีพี่น้องต้องกระฉับกระเฉงตลอดเวลามุสลิมต้องกระฉับกระเฉงพี่น้องนบีสอนให้เราเป็นคนที่ขยันแล้วก็กระฉับกระเฉงใครที่เฉยชาพี่น้องในการทํางานของเขาวงตระกูลของเขาช่วยให้เขาจเจริญไม่ได้นบีพูดดีมากครับว่ามันบัฟต์ฮามาลูหู กับลำยุสเรียนาซาบูครอบครัวของเขาตระกูลของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาคนคนนี้ให้เจริญได้ให้เป็นคนว่องไวได้ขอยกตัวอย่างง่ายๆครับบางทีบางคนเนี่ยนะครอบครัวตระกูลดีมากเลยโด่งดังเป็นคนรู้จักเยอะแต่ถ้ามีอยู่คนหนึ่งขี้เกียจทำงานตระกูลเนี่ยฝากงานได้ไหมได้อยู่แล้ว ฝากกระทรวงไหนก็ได้ฝากทํางานที่บริษัทไหนฝากได้หมดพี่น้องแต่ทาได้ไม่ถึงเดือนต้องออกเพราะอะไรครับเพราะขี้เกียจขี้เกียจไม่กระชับกระเชงขี้เกียจไปสายกลับไวพี่น้องทําสักพักหนึ่งเขาก็ไล่ออกจากงานตระกูลช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับนินบีสอนดีนะสอนให้เราใช้ปัญญาตัวเองว่าใครที่มีตระกูลดีชื่อเสียงโด่งดังเอาล้อช่วยแล้วนะ ให้เขาได้มีตระกูลดีเพราะอัลลอฮฺะจะถามในวันกิยามัดฉันเนี่ยให้เกียรติคุณนะให้คุณเนี่ยเป็นคนอยู่ในตระกูลที่โด่งดังใครๆก็รู้จักทุกคนก็ให้เกียรติยกย่องมาจากตระกูลนี้อออยืนให้เกียรติเลยครับเชิญครับอัลลอฮฺถามกับคุณชายวงตระกูลชื่อเสียงที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยเอาไปทํางานาศาสนาของอัลลอฮฺหรือเปล่า อัลลอฮ์ให้ความสุขบนโลกดุนยานี้อลัลลอฮ์จะถามในวันกิยามัดทั้งหมดใช่ไหพี่น้องเช่นอะไรบ้างดื่มน้ําเย็นเย็นพี่น้องคนที่เดินมาร้อนรนเหนื่อยเหนื่อยพอมานั่งนียมีคนตักน้ามาให้หนึ่งแก้วน้ําเย็นเย็นพี่น้องที่เราดื่มไปแล้วในวันกิยมามะอัลลอฮ์จะถามว่าขอบคุณอลัลลอฮ์หรือเปล่าครับดื่มน้าเย็นเย็นชื่อเสียงเกียรติยศนะครับแม้แต่ แต่งงานพี่น้องมีความสุขกับภรรยาพี่น้องนี่เป็นเนี่ย ม, มาที่อลรรย์ประทานให้นะบนโลกดุนยาไปนี้แล้วขอบคุณอลรรย์ยังไงขอบคุณอลรรย์ยังไงอลรรย์ Allah จะถามในวันเกี่ยมาเพราะฉะนั้นด دعاء พี่น้องก่อนที่จะร่วมดับนอนกับภรรยาต้องเรียนต้องเรียนครับนบีสอนอย่างงี้ใครที่มีลูกพี่น้อง แต่การร่วมหลับนอนแต่ละครั้งนั้นไม่เคยขอดุทอศต่อเราเลยครับไม่ได้ขอดุทอศต่อเราไม่ได้อ่านบิสมิลลาห์ก็มีดุทอาอาิอ่านอ่านเฉพาะอยู่แล้วอัลลอฮุมะจันนีบนิษอัลลอฮุมะจันนีบนัสไซตอนวะจันนีบิอนมารซักกะตนานี่เป็นดุทิบนที่นอนค um on, on, รับอัลลอฮุมะจันนีบนัสไซตอนวะจันนีบิษฐ์ไซอนมารซักกะตนาแปลว่าอะไรครับโอ้ a l l a ให้อลลอฮ์ได้เอาไซต์ตอนเนี่ยออกห่างจากฉันแล้วก็อยากให้ไซต์ตอนเข้ามามีอิทธิพลยุ่งเกี่ยวกับรีสกีที่ได้รับหมายถึงมีลูกเป็น้องอย่าให้ลูกนั่นมีอิทธิพลไซต์ตอนติดอยู่นี่เป็นดวอาที่ท่านอาบีสั่งให้มุสลิมทุกคนทั่วโลกขอแบบนี้จท่า น, นคนที่ขอดวอาบทนี้นะครับอัลลอฮ์จะคุมครองลูกของเขาไม่ให้ อย่างที่เราเห็นอยู่ทําไมเด็กๆ เ, เป็นเป็นตุ๊ดน่ะเยอะไปหมดในพี่น้องเพราะอะไรครับก็สืบเนื่องมาจากพ่อแม่ร่วมหลับนอนบนที่นอนไม่ได้นึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาดะแค่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้คนเนี่ยปกป้องเป็นศาสนาที่สอนให้ให้ปกป้องตนเองนะครับปกป้องเทวดาตักวาเนี่ยตักวาหมายถึงปกป้องตนเอง อย่าทลามเข้าไปทําความชั่วการปกป้องตนเองนี่เป็นสิ่งที่ดีมากครับพี่น้องอย่าให้มีปัญหาเพราอมีปัญหาแล้วแก้ลําบากไหมลําบากพี่น้องโอ้โหเสียเงินเสียทองเสียเวลาเยอะแยะเปเหมือนมานั่งแก้ปัญหาทางด้า น, นปกป้องตัวเองไว้ก่อนเหมือนกันนะครับปกป้องตนเองไม่ให้ตกนรกดีไหมฉะนั้นต้องเริ่มปกป้องตนเองตั้งแต่โลกดุลยาม่ให้ตกนรกของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาละ พี่น้องโลกดุลยานี่เป็นโลกแห่งการทดสอบเป็นโลกแห่งการทํางานครับคนที่ทํางานของอัลลอฮ์เขาได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แน่นอนครับแต่ใจต้องนึกถึงอัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์ให้หมดแล้วคนที่ทํางานให้กับใช้ตอนเขาก็ถูกทรมานถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่อัลลอ เปิดโอกาสให้คนที่ทำความชั่วบนดุลยาใบนี้อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษพี่น้องต้องต้องดีใจผมก็ดีใจเพราะอ่านอ่านกูอา่อานไปไปเพบกูอ่านสอนอย่างนี้ครับรอบัลลอฮ์ Allah นะครับจะไม่ลงโทษขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดมีชีวิตอยู่คนที่ทำความผิด แล้วอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษคนที่ทําความผิดขณะที่พี่น้องบางกลุ่มขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมักฟิรีโอ Allah, อัลลอฮ์อาเบออาพยาโทษให้กระชั้นด้วยคนที่ทําความผิดบนโลกดุนยานี่มีเยอะไหมเยอะครับแม้แต่พี่น้องมุสลิมเองก็ทําความผิดเยอะๆแต่ทําไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้ในกัมปีกุรอานว่าอัลลอฮ์จะไม่รีบลงโทษคนเหล่านั้นอัลลอฮ์ประวิณเวลาไว้ สองสาเหตุสาเหตุหนึ่งเพราะนาบียังมีชีวิตอยู่วันนี้นบีอยู่ไหมไม่มีแล้วก็ทําไมไม่ลงโทษล่อลออะอัลลอฮ์ก็ตวินเวลาไวอ้อีกขณะที่มีพี่น้องกลุ่มหนึ่งเดินตอ ว, วาดอยู่ที่มักกะเดินตอ ว, วัดอยู่ที่กะบ้านที่ใยตุ่นลอยพี่น้องมีขาดสักหนึ่งนาทีไหมไม่มีแล้วครับมีคนตอ ว, วัดทั้งปีทั้งชาติเดินไม่หยุดเลยพี่น้อง ระว่างที่เดินตะอวบนัันเขาขอหนุอากัน์ลอฮุมมักฟิลีโออัลลอ์อภัยโทษในกระชันด้วยอภัยโทษในพี่น้องมุสลิมด้วยทั่วโลกเขาขอกันหมดพี่น้องนี la, ben, Allah, may, ่แหละเป็นเครื่องมืออัลลอฮ์ไม่ลงโทษคนที่ทำความผิดบนโลกดุนยาไปนี้เระวินเวลาเอาไว้ทำไมครับเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เรื่องศาสนาเปิดโอกาสให้เขาได้หันมาสนใจอิสลาม เปิดโอกาสให้เขาได้มาเรียนรู้แล้วก็มาปรับปรุงตัวเองพี่น้องถ้าหากว่าไม่ไม่เรียนรู้เรื่องศาสนาเพิ่มเติมไม่หาความรู้จากอัลกุรอานไม่หาความรู้จากสุนัขนาบีครับพี่นออ้องอัลลอฮ์ก็ไม่รีบลงโทษพี่น้องครับเท่ากับเป็นเขานั้นสะสมความชั่วของเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอตายโกรธพี่น้องบาปไหลกระบุงเลยพี่น้องเต็มหมดเลยครับพี่น้องทาไม พ่อเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้เรื่องศาสนาเปิดโอกาสใเขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้แก้ไขเพราะกุรานเป็นคำสอนเป็นคำพีเล่มสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่นะครับพี่น้องและเอาว่าประกาศว่าวินนาะหูลาฮาฟิลุนฉันขอรักษากุรานนี้ด้วยตัวของของอัลลอฮ์เองอัลลอฮ์รักษาครับพี่น้องสังเกตจะครับคนที่ ผมอยู่ในอินเดียมาหลายปีนะครับตลอดพี่น้องผมอยู่กับระดับพวกอุรุษมาทั้งหมดผมอยู่กับคนอเลมอเลมทั้งหมดพี่น้องเด็กนักเรียนสามารถท่องจําอัลกุรอานะเป็นล้ลลานๆคนพี่น้องขณะที่ประเทศไทยวันนะั้นคนท่องกุรอานสักคนก็ไม่มีพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้อัลฮามดีละคนไทยท่องจําอัลกุรอานเป็นร้อยขณะที่ในอินเดียในปากีสถาน ในพ ม, มา่าในบังกลาเทศพี่น้องในซาอุดีในอาหรับพี่น้องครับท่องจำอัลกรุรอานนี่เป็นการรักษาคมพีของอัลลอฮ์สุพานณหูวตาลาและคัมพีอีกสามสี่เล่มที่มาก่อนหน้าคัมพีกุรอานซาบูตเตารา์อินจีลพี่น้อง 3-4 สี่ฉบับที่มาจากชั้นฟ้งเหมือนกันอัลลอฮ์ไม่ได้รักษาแต่อัลลอ์ขอร้องให้บรรดาอุลามะของกลุ่มยิว อุลมะของยะฮูดีอุลมะของนสอรอคริสเตียนให้ดูแลคำพีของอัลลอ์แต่พวกเขาไม่จะ ด, ดูแลพี่น้องพวกเขาไม่ได้ดูแลนะพวกเขาเขาทำไงรู้ไหมเขาเปลี่ยนแปลงสังคยานาะแก้ไขอลัลลอฮ์การทนพะิธีกุอ่านว่าบิมัสตฟซูฉันขอร้องให้มนุษย์ดูแลมันจะขอร้องชาวบ้านนะขอร้องอุลมะ ของยาฮูดีและนอสโลนีให้ดูแลคัมพีเตอร์รอซาบูตอินยีนแต่พวกเขาไม่ได้ดูแลพี่น้องเปลี่ยนแปลงสังขยาณาแก้ไขฉะนั้นสามสี่ฉบับที่ผ่านมาอัลลอ์สั่งให้มนุษย์ดูแลขอร้องนะให้ดูแลหน่อยไม่มีใครดูแ ล, แลเลยพี่น้องแลยฉบับสุดท้ายกุลอ่านนี้อัลลอ์ประกาศใ น, นกตีกุลอ่านบอกว่าวาินนาลาฮูลาฮาฟิรุนฉันขอ รักษาอัลกรุรอานนี้เป็นคนเดียวเป็นผู้เดียวรักษาอัลกรุรอานฉะนั้นคัีกุรอานนะครับพี่น้องคําว่ารักษากรุรอานนะหนึ่งรักษาภาษาอาหรับด้วยรักษากรุรอานมาถึงรักษาอะไรนะรักษาภาษาอาหรับสองรักษาคนที่ท่องจําอัลกรุรอานด้วยรักษาคนอีกพี่น้องคนที่สอนตักซีดอธิบายอัลกรุรอานให้พี่น้องฟัง อัลลอฮ์ก็รักษาคนคนนั้นด้วยฉะนั้นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคัมภีร์กุรานพี่น้องก็อัลลอฮ์รักษาหมดเลยก็ข อ, ขอบคุณนะครับทีู่ลนิธิของอับดุลอาห์มัดนานานี่เป็น้องเข้ามารับผิดชอบโครงการนี้เอากุรานมาสอนเอาสุนนะฮันะบีมาสอนอัลลอฮ์จะรักษาสมาคมนี้บุญที่นี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะอัลลอฮ์สัญญาในคัมภีร์คุรานว่าฉันจะดูแลเองดีไหมพี่น้อง เราทำโดยลีลาฉะนั้นเราทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานูร์อาลาฉะนั้นองค์กรใดมูนิธิใดที่เข้ามาดูแลงานศา ส, สนาของอัลลอฮฺอัลลอจะรักษาดูแลองค์กรนั้นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเราขอุดูอาร์ต่ออัลลอให้อยู่จนวันเกียมะพี่น้องเราตายไปแล้วลูกหลานขึ้นมาก็มาดูแลงานของอัลลอต่อไปพี่น้องครับผมเอาอุษุร ตาบาใช่ไหมอ่านี่อ่านมาเราสอนมาหลายเดือนแล้วนะยังยังไม่จบเลยตาบากัลลดีบียาดิฮิลมุลกู ว, วะวะลากุลิใช่잉กอดีอ่านดีๆพี่น้องอันทุกวันประมาณกี่อายะนะสามสิบอายะนบีพูดนบีสอนมาหนึ่งพันสี่น้องลูกหลานท่องอายะนี้สุรนี้จำหมด ร้านผมสี่คุณพ่อท่องจำหมดเลยเอ้าใครมาอ่านยืนอ่านให้ให้ให้ฟังให้เลยห้าร้อยบาทพันบาทเป็นน้องให้ไปเลยเด็กก็แข่งกันเป็น้องแค่นั้นเราให้ลูกหลานท่องจำอัลกรุรอานสุร้อนี้เยอะๆสุร้ายาซีนซาดดาตับาเรากัรละีเป็นน้องให้ท่องเยอะๆไปน้องพอลูกหลานผมเรียนหนังสือที่ที่อีกร อ, โ, อโรงเรียนก็สนับสนุนด้วยมันก็สบายไปครึ่งกว่าเลยไปน้อง เราอยู่บ้านก็สนับสนุนเล็กน้อยอเขาทำเลยๆไปน้องครับฉะนัน้นคนที่อ่านซูลอต้บารอกันละดีเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาไว้นบีพูดว่าไงรู้ไหมอัลลอฮ์จะปกป้องเขาไม่ให้ถูกลงโทษที่สุสานดีไหมไปน้องทั้งเกี่ยวข้องหมดเลยนะคุณอ่านนี่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรากุณอ่านเกี่ยวข้องกับโรกอาคิเร์โรเกี่ยวข้องกับโรกอะลามบัตซักเกี่ยวข้องหมดเลยกันไปน้อง พี่น้องที่รับอัลอิสลามเนี่ยมูอัลรับทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์พวกท่านน่ะอัลลอฮ์รักนะนะเลือกท่านมาอยู่ในศาสนานี้ผมก็จะขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์เลือกผมมาอยู่นศาสนานอิสลามพี่น้องแล้วก็พยายามปรับปรุงตัวเองดูแลตัวเองทุกทุกเวลาทุกโอกาสพี่น้องอาซาบการทรมานที่นบีกลัวมากที่สุดรู้ไหมการทรมานที่ไหนการทรมานที่หลุมฝังศพ นบีพูดอย่างนี้ครับนบีบอกว่าฉันไม่เคยเห็นภาพอะไรที่หน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวอลอ๋อพี่น้องอฟัฟละนี่ภาษาหะดีสนะอฟัฟละแปลว่าหน้าหวาดกลัวหน้าหวาดเสียวฉันไม่เคยพบเห็นนบีเดินทางไปหลายประเทศพี่น้องอยู่ในมะ ก, กาก็อยู่มดินาก็อยู่ในสีไปมาหลายประเทศพี่น้องครับ ทางชีวิตน บ, บีน บ, บีถูกเล่นงานถูกใส่ร้า ย, ายถูกเปราว่าถูกขัดขวางตลอดพี่น้องน บ, บีบอกว่าฉันไม่เคยเห็นภาพใดที่หน้าวาดเสียวหน้าหวาดกลัวเท่ากับภาพของคนที่นอนอยู่ในสุสานของเขาอาแล้วพี่น้องกลัวนะผมกลัวมากเลยพี่น้องนี่ตอนกลางคืนเนี่ยผมจะ อ, มอ่านฮะ นบีโผชันไม่เคยเห็นภาพใดภาพใดที่น่าหวาดเสียวน่ากลัวเท่ากับภาพของคนที่นอนอยู่ในสุสานของเขาพี่นอ้องไปอา่านหะดีสพบอัลลอฮฺอุบัตพี่น้องน่ากลัวมากพี่น้องฉะนั้นพี่น้องอ่านก็จอ่านสุรานี้เยอะๆแต่ต้องรู้ความหมายด้วยนะทีนี้นบีสา่ต่อไปอีกเมื่ออ่านสุรานี้แล้วทําตัวเละเทะได้ไหม าอ่านกูมาอ่านโซโลนี้แล้วทําตัวเละเทะได้ไหมไม่ได้แล้วต้องอะไรต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องรักษานรามะอย่าให้ขาดวันหนึ่งหเวลาแล้วก็อนรามะสุนทรมุอักกะดาวันหนึ่งสิบสองลักขะอัดนี่หนึ่งอีกอาทิตหนึ่งรายงานไว้าทิตยทีดด่สองว่า10บลักขะอัดเอารอไปน้องคนขี้เกียจ น, นะ10คนขยันก็สิบสองเอาสิบส้าทาเป็นไรได้ ไ, ห, ไหม ก่อนนำมาซูโฮตมี4ี่ละกัดทํำพี่ละสองละ2คนขี้เกียจก็ทำสองคนที่ขยันหน่อยก็ทำเท่าไหร่สี่ละกัดหลังนำมาซูรี่อีก2เป็น6หลังนำมารมกรีบอีกสองเป็น8หลังนำมาอิชาอีกสองเป็น10ก่อนนำมาซู โ, โบอีกสองเป็น12รสองละกัดทำว่าลงทุนเยอะไหมไม่ได้ลงทุนเท่ไหรเลยพี่น้อง เสียตั้งค์เปล่ามันได้เสียไปน้องแต่ทามาขี่กี่จะดูละครจนั่งได้สองสามชั่วโมงจองแล้วก็จองอีกพอจะนั่มาดโฮยกมือไม่ไหวไปน้องดังอ่ะพี่น้องครับเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็อ่านกุนอ่านเยอะๆไปน้องหยุดดูละครหน่อยได้ไหมนี่เราขอร้องพวกกันเองอนะหยุดดูละครไปน้นองแล้วก็ลูกหลานเราชอบดูว่าได้การ์ตูนใช่หรือไม่ใช่ โอ้โหพูดมากก็ได้ล่มกันนอนอาก็ออ๋อปลอบใจพี่น้องต้องพูดเรื่องศาสนาทุกวันต้องพูดทุกวันหยุดได้ไหมไม่ได้พี่น้องจะทานอาหารนี่นบีสอนนะผ่านพร้อมๆกันภรรยาสามีลูกหลานทานอาหารพร้อมๆกันพแล้วก็เตือนกันด้วย อ, อ, อ่าน ล, าลูกอ่านบิสมิลลาะิรเราะะลูกๆล้างมือหรือยังพี่น้อง วันนี้เราทานอาหารรูมซุนานะบีไปเยอะแล้วนะไม่ค่อยได้ทานมือเท่าไหร่ทานอะไรนะชอนโอ้โหสาวว่ามันโก้สาวว่ามันทันสมัยซุนานะบีพี่น้องพยายามล้างมืออย่าล้างมือข้างเดียวนะล้างกี่ข้างสองข้างล้างก่อนแล้วก็มาทานอาหารพี่น้องเผื่อว่าอาหารตกไปมือซ้าจะได้ช่วยหยิบนู่นหยิบนี่ถ้ามือมันเปื้อนอะไรพี่น้อง โอ้โรคภัยไข้เจ็บจัดตาบานี่นบีป้องกันไว้หมดเลยวันละนี่งศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้คนป้องกันตนเองป้องกันโรคภัยไข้เจ็บป้องกันสุขภาพป้องกันถึงโลกอาคีรอดุลกะก่น้อมทำดุลิลาขอบคุณอัลลอฮ์สุภาพนะฮูบาดัลลาสรุปคนที่อ่านสุร้อนนี้ต้องเป็นคนแบบไหนครับเคร่งคัดศาสนานะครับไม่ใช่ฉันอ่านสุร้อนนี้ฉันไม่นามาศ ผ่านไหมชีวิตกูโบไม่ผ่านได้ไปน้องถึงจะอ่าน ก, กูอ่านเรา่อบมันจาเปี้ยเลยนะแต่นรรมดไม่เอาถือสินอดไม่เอาซิกุรุ ล, ล้อไม่เอาทรยศต่อพ่อแม่ อ, อ้าวสุร้อนนี่ช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้สุร้อนนี้ช่วยได้เฉพาะคนที่เรียนาศาสนาสนใจาศาสนาเป็นคนดีอัลฮัมดุลิลลาช่วยเดินบนเลยนะครับพี่น้องเอาวันนี้มาดูอายะที่ี่สิบเจ็ดนะครับ ส ورة ที ا ประเสริฐที่สุด ك و ้ทรงมร ل คที่สุดผู้ทรงอำนาจที่สุดผู้ทรงอำนาจ ف ี و สุดผู้ทรงอำนาจที่สุดผู้ ف ل َ ل م ا رأوه زلفت ِ ي أ ت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون อัลกียาดีอัาร์ปน้องอามัดูฮ์คแปล فالما ลามมาเนี่แปลว่าเมื่อ แปลว่าเมื่อแปลว่าเว้นนะฮะแต่ขั้นเมื่อเราเอาหูพวกเขาเห็นคาว่าเห็นเนี่ยไม่จะเห็นสวรรค์ไม่จะเห็นอัลลอฮ์ไม่จะเห็นมาลายกาเห็นไฟนรกเห็นไฟนรกพี่น้องหรือว่าเห็นนรกเนี่ยเมื่อพวกเขาเห็นนรกพี่น้องรุลฟ้าันแปลว่าใกล้เข้ามา ซนฟ้าแปลว่าใกล้เข้ามาพี่น้องเห็นนรกใกล้เข้ามาแสดงว่านารกนี่มีอย่างเอาล้อเตียยไปเรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องในผม่าภาษาอุรดุมดชาวเวนั่งก่อนที่จะมานั้นหลังนั่นมาสุบขเก้านั่งอ่านหนังสือมีคนถามว่านารกนอยู่ที่ไหนเขาบอกนรกนี่เป็นอย่างนี้น้ําทะเลทะเลทั้งหมดนั้น จะเปลี่ยนเป็นไฟนรกครับโอ้โหอาเลนึก โ, โอ้หเนี่ยน้ำ ม, มหาสมุทรเนี่ยสมุนเดชเนี่ยสมุนดรดชแปลว่า ม, ม, ม, ม, มหาสมุทรอั ล, ลจะเปลี่ยนทะเลมหาสมุทรนี่เป็นอะไรนะเป็นนรก ท, ทันทีจะเป็นน้าจะเดือดไม่ใช่เดือดธรรมดาไปน้อง ไอร้อนบนนี้มันไม่เท่าไหรร้อยองศาเนี่ก็เยอะแล้วแต่ที่นั่นสองพันสองพันดีกรีโอโพี่น้องเท่าไหร่ร้อนกี่เท่าเนี่ยพี่น้องความร้อนน่ะนี่เป็นกุัวอ่านจากฮฐศฐศฐาดิสทบุนอธิบายพี่น้องครับคท่านความร้อนในนร ก, กร้อนมากครับพี่น้องแล้วอัลลอฮฺจะให้มลายิกาเนี่ยลากนรกมาพี่น้องลากมาดึงมาดึงมาอยู่ไกลๆคนกาเฟตเพื่อแค่เห็นนรกพี่น้องอ่ะดูต่อไป สีอัดสีอัดแปลว่าม่นหมองมาจากสูแปลว่าชั่วคือแปลว่าดําก็ได้เราได้เห็นนรกปร้าเพนทอลใบหน้าของคนเหล่านั้นวู้จุฮุลละดีนะกะฟารูวู้จุแปลว่าใบหน้าอัลละดีนกะฟารูผู้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธใบหน้าของผู้ปฏิเสธเป็นยังไงครับ ซีอัดแปล ว, ว่าหม่นมองหรือแปล ง, ง่ายๆอหน้าดําเครียดพี่น้องตอนนี้คนกาเฟ่เข้าวดาวก็ทํามาแล้วใช่หรือไม่ใช่เราทำเปล่าเราไม่ได้ทำพี่น้องบาร์ก็เข้ามาแล้วใช่ไหมใช่เบียกก็ดื่มแล้วใช่ไหมบนดุนยานี้ใช่ไหมดินาก็ทําได้ใช่ไหมพวกเราไม่ทําคนอื่นเขาทำไหมทาคนฝรั่งโน้นเขาทำกัน บาก็เข้านายขับก็เข้าเต้นรําก็เข้าทั้งหมดเลยเป็นองของที่อัลลอฮ์ห้ามทำหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ใชคนฝังขนนู้นมาจะฝังขานนี้เพราะนี้เหมือนในพวกเราพวกเรานี่เป็น้องครับเมื่อ ก, กี้มีคนโทรศัพท์มาตอบถามผมนั่งรถมาสามีฉันเสียชีวิตถามว่ามีคําสอนจากอลัลกุรอานไหม ที่ให้ภรรยาอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนมาไหนสี่เดือนกับสิบวันจานจริงหรือเปล่าท่านขอถามฉันอยากจะออกแล้วเกินเ่าเนี้นี่หยุดมาสองเดือนกว่าแล้วเครียดเพราะว่าออกไม่ได้จริงนะเขบาบอกใช่เนี่ยเอาล้สานทาระพกนสามีเสียชีวิตภรรยาต้องอยู่อ้ ด, ดัประคองตัวเองอย่าแต่งหน้าลิปสติก สาโนญทานี่ให้สวยออกไปเดินที่ตลาดซีคอนไม่ได้พี่น้องให้อยู่กับบ้านกี่วันนะสี่เดือนกับสี่วันทําได้ไหมทําได้ค่ะทําแล้วหวังอะไรหวังผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะต้าลาพี่น้องมุสลิมา่าบางคนไม่เคยได้ยินคํานี้เพราะอะไรครับเพราะไม่มีเวลามาดูทีวีมุสลิม ไม่มีเวลาดูแต่ดูละคอได้คืนสามสี่ชั่วโมงไม่เคยได้ยินคำว่าถ้าสามีเสียชีวิตนางต้องอยู่ไอดด้ดากี่เดือนนะสี่เดือนกับสิบวันพี่น้องเห็นไหมนี่หลักการของอิสลามพี่น้องถ้าคนรับไม่ได้มันอึดอัดนะจะไว้อยู่ละสี่เดือนส0วันเนี่ยอบอกวนะ่าถ้าจะออกนะออกได้เช่นไม่มีคนมาช่วยเราซื้อกับข้าวเอาเลยออกไปเลย แต่ห้ามทานนิสติกนะคุมผมไม่เรียบร้อยนะแต่งกัวให้มิดชิดนะแล้วก็ถ้าเรามีบ้านเช่าอยู่หูยเยอะเป็นร้อยร้อยหลังไปเรื่องไว้ใจใครไม่ได้สักคนหนึ่งให้ร้านไปเก็บมันก็ชักดาบหมดเลยเอ้าวทําไมเราก็ต้องออกเองเอ้าวไปไปเก็บได้วันเนี้ยอนุญาตให้ไปเที่ยวได้ไหยไม่ได้มีคุณมีญาติญาติตายได้ไม่ไป ลูกจะพาไปไหนไปไม่ไปไปไม่ไปแม่จะอยู่บ้านรอเฝ้าอิ ด, ดาอยู่กี่เดือนสี่เดือนกับสิบวันนบีสั่งนะครับพี่ท้องมีผู้หญิงอยู่คนนึงในสมัยท่านนาบีเขายกตัวอย่างนะชื่ออุมมุสลมามะอุมมุสลมามะเนี่ยสามีเสียชีวิตพอสามีเสียชีวิตก็นางก็ร้องไห้คิดถึงสามี นบีเดินผ่านมากระบอกเธอร้องให้แต่มาอยังคิดงสามีชั่นนบีบอกอย่าร้องเยอะร้องเล็กๆน้อยๆพอนบีเขาให้อ่านดวาอาสั่งให้ผู้หญิงคนนี้อ่านดวอาอ่านว่าี้อินนาลิลลาฮิว่าอินนาอิลล่ฮิราชัยอุนอัลลอฮุมะยุรนีฟีมูซีบตีวะคลิฟลีคอยรอ ม, มินฮะไ้อจดไม่ทันอยู่แล้วล วันหลัง ค, คุณครูก็นีสอนเองท่องตอนสามีตายแล้ว <laughs> หรือฝึกท่องไว้ก่อนก่อนตายก็ได้อ um oh ินนาลิลล่ฮิวะอินน่าอิลัยฮิรรจีอูนอัลลอฮุมะยุรนีฟีมุซีบทติวะคลิฟลีค้ายรามินะดูขัแปลครับอินนาลิลล่ะแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิรอาจีอูหลเราไม่ช้เราก็จะกลับไปหาอัลลอ์ อัลลอฮุมมายุนนีโออัลลอฮ์โปรดประทานรางวัลฟีมูซีปตีในความเดือดร้อนในความทุกข์ที่ฉันประสบอยู่สามีตายทุกใช่ไหมทุกอัลลอฮ์สามีเขาเลี้ยงดีน่ยไม่เคยตบไม่เคยด่าไม่เคยตีไม่เคยตวาดดูแลเอาใจใส่อย่างดีพยากรักมากเลยไปเนาะพอสามีตายอัลลอฮ์เสียใจละใครจะมาดูแลสามีดูแลฉันเท่ากับสามีคนเดิม ดิให้อนดูอา um oh, Allah, อัลลอฮุมะจุนีฟิมุซีบาตโออัลลอฮโปรดให้รางวัลในความเดือดร้อนที่ฉันกำลังประสบอยู่วัคลิฟลีคอยรอมินฮาตรงนี้ดีมากโ oh, อัลลอฮโปรดทดแทนของที่ดีกว่ามาให้ด้วยนางอ่านอยู่ประมาณสี่เดือนกับสิบวันพออ่านครบสี่เดือนสิบวันหมดอิดาพอดีนบีมาขอแต่งงานเองหไหม ตอนมาข อ, อนี่พี่น้องผู้หญิงประกาศว่าฉันไม่แต่งเพราะทำไมอะฉันรักสามีฉันข้อที่สองฉันเนี่ยมีลูกหลายคนนบีบอกว่าลูกฉันจะช่วยเลี้ยงให้แล้วก็เทว่าหึงหงึเอาไม่เอาใครแต่ฉันจะขอดวงเอาตอบร่ำให้หายหึงเพราะว่าแต่งง้นผู้หญิงหาคําตอบไม่ได้ว่าเอา เ, อา เ, อาเอายอมแต่งงานกับท่านนาบีพอแต่งเซเลน่านบีถามว่า สามีคุณกับฉันใครดีกว่าอ้าวใครดีกว่านาบีตัวดีกว่าใช่ไหมของตายอยู่แน่นบีดีกว่าให้ไม่ปน้องนี่ไงอ่านดวอาบทนี้สี่เดือนกับสิบวันอัลลอฮ์ตอบแทนของที่ดีกว่าใช่ดีไม่ใช่อ่าพี่น้องก็ลองใครที่มีสามีแล้วตายก็อ่านดุงอาบทนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์จะส่งผู้ชายดีๆมาสู่ขอแล้วก็พากันไปสวัสด์กันทั้งสองคนดีเลย ไ, ไม่ดีดีก็ต้องขอถูกอานะ ห้ามออกข้างนอกนะห้ามทานรือสติกนะเี๋ยวนี้ระหว่างที่อยู่ในอิดด้าเนี่ยมีผู้ชายมาจีบยกตัวอย่างทําไงอ่ะนึกในใจได้อย่าพึ่งพูดอะไรเยอะให้ครบอิ ด, ดาก่อนค่อยว่ากันอ่าต่พูดอย่างนี้เลยไอ้จีบนะจีบไปเราอยู่ในบ้านไม่ไปไหนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะข่าวโพสต์ไลน์มาอะไรมาเราอย่าไปอ่านเยอะฉีพิมพ์ทิ่มมันก็ได้ไปน้องในใจนึกว่าให้ครบอิ ด, ดาเมื่อไหรสนุกแน่งานนี้อี่ทีก็ ดูคนอ่านก็ฟังมาราอูาซุลฟัตันสิ่งอัจ <Quran> จุหุลละอินะกะฟารูอัลลอฮฺพี่น้องครับเมื่อคันเมื่อพวกเขาเห็นมันเห็นนรกซุลฟัตันแปลว่าใกล้เข้ามาสิ่งอัจจุหุลละอินะกะฟารูอัจจุแปลว่าใบหน้า ใบหน้าของพวกเขาผู้ที่ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอสูลปฏิเสธกุรานปฏิเสธวันติยามะปฏิเสธวันสิ้นโลกไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นพี่น้องคนกาเฟสส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้ น, น, น, ใ, ชาานใช่หรือไม่ใช่เรานี่มุสลิมบางคนยังพูดยังไม่เชื่อก็มีนะมุสลิมบางคนที่ไม่เอ า, าศาสนาพี่น้องยังสงสัยว่าวันกิยามะมีจริงหรือเปล่าบางทีคุยกันทะเลาะ ก, กันว่า ทางวันกียรมั้งมีจริงคยได้ยินใช่ไหมถ้าวันกียรมั้งมีจริงไปท่าไปใส่ทําไมพี่น้องมุสลิมต้องเชื่อทันเบอร์เซนว่าวันกียรมั้งมีจริงแล้วก็มีแน่นอนไม่ต้องไปสงสัยนะครับเพราะกุนอ่านพูดมาตามกับพูดเรื่อยมากกียามั้งมีจริงเกียรมั้งมีจริงวันสิ้นโลกมีจริงการฟืน้นคืนชีพมีจริงเอาเราพูดยามไปยามมาในะครับพีพกุนอ่านเยอะมากครับพี่น้องเป็นไงครับ ซีหน้าหมอนมองหน้าดำหน้าเครียด น, นี่อัลลอฮ์เล่าภาพของคนที่ปฏิเสธโลกอาคราอปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธสุนานะนบีปฏิเสธของดีๆจะอิสลามพี่น้องครับวาตีละอะตีละไปวะไงนะมีเสียงจะมีเสียงพูดว่า อัลลอฮ์ไม่พูดครับอัลลอฮ์จะให้มะลายิกาประกาศว่าตีล่ะจะมีเสียงพูดก็คือเสียงของมะลายิกาจะประกาศบอกว่าฮาดัลลาลลีฮาดัแปลว่าอะไรท่นพี่น้องนี่แหละนี่คือฮาดัลลาีนี่แหละเป็นรางวัลหรือเป็นโทษที่อัลลอฮ์ตอบแทนกุนตุมตูอาดูนที่สูเจ้าเรียกร้องเรียกหา คือตอนเนี้พวกคนกาเฟสนะถ้าวันเกียร์มาดมีจริงก็ให้เห็นสักหน่อยไม่ได้เลยถ้านบีมาตลอดในคาบีกูกอา่านเวลานบีสอนเรื่องวันเกียร์มาดมีจริงคนกาเฟสหัาาวเราะดูโทเหกียด์ยานายังสมัยนบีนวลกเหมือนกันนบีนวลมาสอนว่าวันวันเกียมรมมาดมีจริงวันสิน้นโลกมีจริงเสร็จแล้วก็เขาก็ไม่เชื่อหัวเราะเยอะนบียิ่งสร้างเรือ สร้างเรือต่อเอรือพี่น้องและต่อบนบนดอนพี่น้องและคนเหล่านั้นไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนได้นึกภาพไม่ออกไะว่าะจะเอาเรือไปวิ่งที่ไหนน้อเอ้ยสร้างเรือมาจะไปวิ่งที่ไหนน้ําก็ไม่มีทะเลก็ไม่มีเพราะเขาอยู่บนบนที่ดอนพี่น้องไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนกินนจกบนนาบีน้อต่อเออรือต่อหัวเราเยอะนาบีน้อ พอต่อเรือเสร็จเท่านั้นเลยพี่น้องหลายอาลัลลอฮฺให้ฝนตกอลัลลอฮฺให้น้ําพุ่งออกมาจากแผ่นดินทําได้ไหมได้เพราะอาลัลลอฮฺเป็นเจ้าของแผ่นดินอยู่แล้วพี่น้องตายเท่าไหร่วะนะครับตายน้ําท่วมโลกคนตายกับหมดพี่น้องยกเว้นคนที่อยู่บนเรือเท่านั้นเองเพิ่งจะเข้าใจอ๋อคนที่อยู่บนเรือเชื่อน บ, บีนุวงวันนั้นปลอดภัยหมดเลยครับเลยเข้าใจเลยว่าอ๋อที่น บ, บีนุวต่อเรือนั่น เพื่อมาตอนรับน้ําท่วมเพราะไม่เคยเห็นน้ําท่วมมาก่อนนึกภาพไม่ถึงเห็นภาบเชื่อทันทีอิมานเพิ่มองลอร์ดบัฉันขอศรัทธาต่อในบีนัวศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพิ่มคุณพี่น้องครับนี่ก็เหมือนกันวันนี้พี่น้องเราหลายคนไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นแต่วันเกี่ยมะนี่พอตายพับนะดูไม่เห็นอะไรครับพอวิญญาณออกจากร่างพาพี่น้อง พอวิ ญ, ญญาณออกจากร่างพับก่อนจะออกพี่น้องมลายิก้ามาอย่างนี้อาจจะว่าคนคนดีก่อนนะว่าสักสองขัง้นพอนนะสองข้อพอนนะคนดีตอนจะตายคนที่เป็นมุมลินคนที่เป็นมุสลิมคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามตอนวิญญาณจะออกจากร่างมลายิก้าลงมาครับจา ก, ากฟ้าแต่งตัวสวยพี่น้องกลิ่นหอมเข้ามามาพูดกับวิญญาณพี่น้อง ส, สลามมาเลายคุมวิญญาณพี่น้องมาเลย์กาจะมาให้สลามกับวิญญาณเราไม่รู้สึกตัวพี่น้องพูดกับวิญญาณสลามมาเลายคุมวิญญาณก็ซอบกวาา่าเลยคุณสลามพีม่น้องข้อที่สองพี่น้องก่อนจะถอดวิญญาณเนี่ยมาเลย์กามาบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์พอใจวิญญาณของคุณอัลลอฮ์พอใจคุณมากเลยพุณมาเิกามาเล่าอย่างนี้ถามวิญญาณเราแฮปปี้ไหม ฉันมาขอเชิญวิญญาณกลับไปหาเราเมื่อวิญญาณได้ยินหนึ่งเสียงให้ซาลามสองเสียงพูดจาดีใช่ไหมอยากออกไหมอยากออกครับฉะนั้นข้อที่สามพี่น้องครับวิญญาณจะออกจากร่างของคนดีนั้นนบีบอกให้ให้เอาแก้วขึ้นมาแล้วก็เทน้ำออกออกง่ายหรือออกยากเทแก้วนีญญ่พี่น้องเทน้ำออกปึ๊งง่ายนิดเดียวไม่ทรมานใดๆทั้งสิน้น เอาแค่สามขอ้ขอเท่นั้นนี่เป็นวิญญาณของคนดีนะวิญญาณที่อยู่กับอัลลอฮ์วิญญาณที่สิเกตถึงอัลลอฮ์วิญญาณที่อ่านอัลกุรอานพี่น้องอย่าลืมนะอาหารของร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยต้องกินอาหารใช่ไหมขา้วขาวตี๋ข้าวมันข้าวมกใช่ไหมเนื้อทอดเนื้อปิ้งเป็นอาหารของโลกที่หมดเลยครับส่วนวิญญาณมาจากอัลลอฮ์มาจากชานฟา อาหารมาจาชั้นฟ้าหมดเลยไปน้องอะไรบ้างครับนามาตเ ป, นเปนาาญญน็นเป็นอาหารของวิญญาณอ่านกุลอานเป็นอาหารของวิญญาณซิกรุลโลเป็นอาหารของวิญญาณนามาตมาจากข้างบนใช่ไหมยิบรีนพาณีขึ้นไปรับเมีอรรถใช่ไหมมาจากข้างบนใช่ไหมนั่นเป็นอาหารวิญญาณไปน้องสังเกตสิอาหารของร่างกายเนี่ยวันละกี่มื้อ ยังเต็มที่ก็สามมื้อใช่ไหมเชา้ากลางวันเย็นแต่อาหารวิญญาณวันละกี่มือ้อเห็นไหมอาหารวิญญาณต้องมากกว่าอาหารร่างกายแล้วก็พี่น้องเราที่ไม่ได้ได้นามาตย์ให้เวลามีอาหารเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงวิญญาณเปล่าไม่มีเลยขาดทุนหร้อกำไรพี่น้องวิญญาณร้องห้ทุกวันอ๋อฉันอยากจะ ครับอาหารอร่อยอร่อยที่มาจากชั้นฟ้าแต่ว่าคนเจ้าของตัวเองเนี่ยไม่ได้รักษาวิญญาณของตัวเองที่ อ, อรรถปะทานให้มาอร่อยพี่น้องครับมาพูดเรื่องวิญญาณขอคุยกนนิดนึงกันพี่น้องทั้งหลายวิญญาณนี่ยอรรถให้มาตอนเราอายุกี่ขวบตอนอายุได้กี่วันนะร2 0ยสบวันมนุษย์ที่ถูกสร้างมาเจ็ดขั้นตอนพี่น้อง นะมนุษย์ที่สุงถูกสร้างมากี่ขั้นตอนนะเจ็ดขั้นตอนนี้จากคุรานทั้งหมดนะขั้นตอนที่หนึ่งสร้างอาดัมมาจากดินมีพ่อมีแม่ไหมไม่มีใขยายอัลลอฮฺขยายเอาสร้างมนุษย์ก่านะสร้างมนุษย์แบบที่สองสร้างโตฮา ว, วามาจากพ่อสิโคลของอาดัมไม่ผ่านแม่ ขั้นตอนที่สามสร้างนาบีอีสาผ่านใช้ผ่านแม่มีพ่อไหมไม่มีขั้นตอนที่สีเนี่ยของของพวกเราหรือมาจากน้ำอาุูจิของหญิงแล้วก็ชายเอานาบีสอนต่อพี่น้องครับอาุูจิของผู้ชายรู้ไหมสร้างอะไรสร้างกระดูกละกล่ามเนื้ออ๋อเนี่นบีไม่ได้จบหมอพี่น้องแต่อธิบายชัดเจน อสุจิของผู้ชายนั้นสามารถสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเป็นก้ามกล้ามใหๆน่ะของผู้ชายแล้วก็กระดูกของผู้หญิงนะครับอสุจิของผู้หญิงสร้างได้ไหมสร้างเนื้อก่อนเนื้อนี่เนื้อกับเลือดผสมกันอยู่ในร่างลูกของเราอัลทำนู่นนี่นใครสอนครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอาบิสัตลาขั้นตอนที่หนึ่งมนุษย์ ขางมาจากดินขั้นตอนที่สองมาจากน้ําอสุจิขั้นตอนที่สมเป็นก้อนเลือดอันที่สี่เป็นก้อนเนื้ออันที่ห้าเนื้อหุ้มกระดูกคุณอ่านคุชจัดฟาการเซานอิรมาลาห์มาเราได้ให้เนื้อนี่มาหุ้มกระดูกขั้นตอนที่ใดที่หนึ่งดินที่สองอสุจิที่สามก้อนเลือดที่สี่ก้อนเนื้อที่ห้าเนื้อหุ้มกระดูกข้อที่หกพี่น้อง ครบอย่างเนี่ยมันน่าจะขายไปแล้วนะข้อที่1นดินอันที่สองน้ำอสูจิอันที่สามก้อนเลือดอันที่สี่ก้อนเนื้ออันที่ห้าเนื้อหุ้มกระดูกข้อที่หกไอ้มันขาดไปข้อหนึ่งแล้วก็เอาลอเป่าวิญญาณฮาพี่น้องแล้วก็เป่าวิญญาณลงไปในในไรนะในร่างกาย ฟากาเศร้านองอิร่ามัลละห์มาอัลลอให้เนื้อหุ้มกระดูนแล้วกระเป๋าวิญญาณเจ็ดขั้นตอนผมนับไม่ครบเมื่อกี้มิทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนพี่น้องพี่น้องครับพอกกเป๋าวิญญาณไปปั๊บวันนั้นอัลลอฮ์บันทึกให้สี่รายการนี่เรื่องลับทั้งหมดไม่มีใครรู้แต่อัลลอฮ์บอกผ่านนาบีให้นบีมันเล่าให้เราฟังสีอัลลอฮ์ให้สี่รายการหนึ่งวันตายริสกีก่อน ให้รีสกีเครื่องยังชีพเท่าไรนะครับให้มากให้น้อยเราไม่รู้แต่เอาว่ากําหนดแล้วอันที่สองกำหนดวันตายอาัุวันหมดอายุบางคนอยู่สี่สปีบางคน70สปีบางคน80ิปีบางคนพอคลอดออกมาก็ตายใช่ไหมเราไม่รู้เนี่ยข้อที่หนึ่งเรื่องรีสกีข้อที่สองเรื่องอายุเรื่องที่สมอาชีพทําอะไรอันที่สี่ จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วตกลงว่าสมรายการนี้เลือกได้ไหมไม่ได้แต่มีอยู่รายการเดียวที่เลือกได้จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเราเลือกได้ไปน้องตายวันไหนเลือกได้ไหมริสกี้เอาลอไม่ให้เรารู้เลยไปน้องเราไม่รู้นะเราจะเกิดในตระกูลไหนจะรวยหรือจนเราไม่รู้กันไปน้องจะมีอาชีพทําอะไรเราก็ไม่รู้ไปน้องแต่ข้อสุดท้ายข้อที่4เนี่ยเราเช็คตัวเองได้ จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วถ้าเป็นคนดีทําไงครับพี่น้องเรียนศาสนาของอัลลอฮ์เข้าใจ إ ي م านของอัลลอฮ์นมาศอา่านกุรอานริพี่น้องครับนี้เนี่ยเป็นอามันฑ์คอซอหรทั้งหมดัดตะตรงกันข้ามถ้าเราทิ้งอิสลามนั่นคืออามัณชั่วบนเลยครับพี่น้องทุกท่านพี่น้องครับหันมาดูกุรอานนี้ก่อนนะ ว่ากีลเส ล, ล่าจันลัทีุ่นตุ่มบิตัดหนาอูนี่คือที่สูเจ้าเคยร้องขออย่างไรล่ะว่าเมื่อไรจะเกิดขึ้นเมื่อไรจะถึงวันเกียมาวันเกียรมามีจริงไหมพี่น้องครับมีจริงๆครับโดยไม่ต้องสงสัยเอาล้อสอนให้เราคิดคิดง่ายๆก็แล้วกันนะแผ่นดินที่แห้งแล้งเนี่ยที่เดินไปีไไปเจอที่แห้งแล้งพี่น้องครับ พอมีน้ําฝนตกลงมาเท่านั้นเองพืชพันธัญญาหารเกิดไหมผมเป็นชาวนามาก่อนผมเนี่ยไถายนานวดข้าวแบกข้าวดำนาเก่งเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วเป็นหมดไปน้องคือพอไปแล้วมาเข้าใจก็ตอ่านอัอล้อมสง่างามกันี่น้องออนบีสอนอย่างนี้ผมอยู่ชาวนาในเวลาฝนตกกลางทุ่งกลางนาไปน้องก็สมัยก่อนนะเวลาแห้งแล้งนะ แห้งแล้งจริงๆพี่น้องหัวไหลแหงเนี่เดินแล้วเจ็บของตรงเท้าไม่ใส่เนี่เดินไม่ได้พอฝนตกลงมาปลามาจากไหนพี่น้องแค่ตกลงมาคืนเดียวตื่นเช้ามาไปเดินตามทุ่งนาำมีปลาใช่หรือไม่ใช่อาจารย์ก็ณีใช่แล้วผมเนี่เป็นคนที่หาปลาไม่ได้ในชีวิตเพื่อนๆออกไปหาปลาได้กันหมดคนละสิบตัวยี่สิบตัวผมเดินตั้งแต่เชา้าจนเที่ยงตัวนันก็ไม่ได้ อราไม่อยูไม่อ ย, อยู่มีอยู่ข้างหนึ่งผมได้ปลามาขาดวิ่งหมดเลยคนอื่นเขาฟันแล้วตายเราก็ถึงมานึกว่าเราเองหาไม่ใช่คนอื่นก็หาทิ้งเขาไว้ <laughs> พี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้ผมมารีสกีส่วนนี้ไม่ได้แต่มันได้เนี่ยส่วนความรู้จากอัลกุรอานอันนี้อัลลอฮ์ให้ผมอัลฮัมจุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องครับวันกิยามามีจริงไหม ม, มีครับเอาเมื่อคืนเนะี่ผมอ่านอ่านดิษนะอ่านดิษนึงในนรกนี่นะ เอาคนในนรกก่อนนะมาแรงป่องในนรกมาแรงป่องนะ <c oughs> เคยเห็นไหมว่าแงป่องตัวเลก็กกว่ตัวใหญ่ตัวแค่นี้ใช่ไหมแต่ในนรกเนี่ยเท่ากับเท่ากับลอ่อหรือลาเคยเห็นลาหรือลออ่อเป่าเคยเห็นเป่าไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมต่อไปอะไรนะเ <c oughs> ขาดิ้นไดอินเดียเยอะหน้าหอพักผมมีลากรลอ่อมเต็มเลยไม่ต้องเป็นเรือย นั่นมแมลงป่องของนรกที่อัลลอจัดเอาไว้นี่เป็นคำพูดของนบีครับมแมลงป่องเท่าก่บอะไรนะตัวล่อหรือตัวลาใหญ่หรือเล็กโู้พี่น้องแล้วก็วิ่งกัดราสนุกเลยพี่น้องเอาแล้วก็ถ้าเป็นงูพี่น้องงูนะซาบภาษาอุดูวาซาบซีนอาลีบนูนเปซาบแปลว่างูพี่น้องงูนะ ตัวใหญ่ก็ถ้ากระอูดมันจะเลือ้อยไป้องพูเขาตัว เ, เล็กอย่างนี้จะเลื้อยเนี่ยแนั้นไปนอนครับอย่ากให้ตกนรกนบีสอนเราให้ขอนุอาอยากให้ตกนรกตอนไหนรู้ไหมตอนก่อนให้สลามน่ะอัลลอฮฺมาเย็นนี่เอาฮุบิกามินฟิตนัดิอะไรอะไรเนะี่ยว่างไงนะช่อ่านดี๋ยสิ อ, อุบิก กว่ามินอาซาบิลกอบพวกนี้ใช่ไหมอย่าให้มีการลงโทษในกูโบโอ๋อรลนะบีให้เราขอวันกี่ครั้งถ้านามาสฟัดดูก็หักครั้งใช่หรือไม่ใช่นามาสุนาร์อีกแล้วอ๋อรอพี่น้องขอทําไมเพราะการลงโทษในกูโบเป็นภาพที่น่าหวาดกลัวที่สุดไม่มีภาพไหนที่จะที่ที่ที่ทจะกลัวเท่ากับกูโบไม่มีก็ไปน้องทั้งหลายพี่น้อง คนอยู่ในกูโบเนี่ยพี่น้องไม่กินอาหารจากกทมนะไม่กินอาหารข้าวหมดข้าวมันก่วยเตี๋ยวไม่กินอาหารจากประเทศไทยจะ ก, กินอาหารจากสวนสวรรค์เดี๋ยว อ, อย่าเป็นเรือดจะทาบุญให้ไม่ใช่ขอดูอาอย่างเดียวพี่น้องลูกขอดูอาให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว ให้อลัลลอได้ประทานริสกีจากสวนสวรรค์มาเชียรริสกีจากประเทศไทยแล้วก็ริสกีที่คนตายจะได้รับเป็นทังหลาทั้งคือดุอาของลูกขอจะอลัลลอฮฺอลัลลอจะให้กลินหอมๆเนี่ยมาถึงกูโบของเขากลินหอมชื่นใจไหมอลัลลอฮเราชุวันนี้นะถ้าพรายาแต่งตัวสวยๆแล้วใส่กลิน้หอมชื่นใจไหมชื่นใจ น, นอนอยู่ในกุโบคนเดียวพี่น้องกลิ่นหอมเข้ามาอันที่สองครับพี่น้องเห็นภาพของสวนสวรรค์ดีได้ไมด่ดีนอนนี่นอนอยู่ในคนเดียวจนในกุโบพี่น้องแต่ลเราให้เห็นภาพนะนั่นที่อยู่ของท่านพอฟื้นขึ้นมาจะอยู่ที่ตรงนี้ดีใจไหมอ๋อพี่น้องแล้วก็คนตายพูดได้ด้วยพี่น้องโดยพูดภาษาเดียวคําเดียวนะรับบีอักิมิสซะาะอัลลอฮฺจะ เกิดกิลมัิไวๆเธอฉันอยากจะไปอยู่ในที่ของฉันนี่คนตายพูดนะเราจะยินไหมไม่ได้ยินครับมนุษย์ไม่ได้ยินยินไม่ได้ยินสิ่งอื่นได้ยินหมดส่วนคนกาเฟตพูดไงรู้ไหมยรอบบ์ลาตอโกมิซาอย่าให้วันกิามามานะฉันทัด ถ้าเห็นนรกอยู่เนี่ยมาอย่นี้มาก็ถูกเล่นงานเนี่ยเอาเราจะอย่าให้มีวันกียร์มาเลยอยู่สภาพนี้แหละแต่มุสลิมขอว่าไงกียร์หมัดไวๆ้ๆกียร์หมัดไวๆ้ๆเอาเร า, ารักใครตามคนมุสลิม <c oughs> และเราอยู่บนดุนยานี่พี่น้องครับรู้เปล่าญาติพี่น้องเราที่นอนอยู่ในกูโบอยากจะลุกขึ้นมามีความอยากปรารถนาอยากจะกลับมาเที่ยวบ้าน กลับมาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยพี่น้องมาเล่าอะไรรู้ไหมบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันฉันอยู่สบายหลังจากฉันถูกสอบสามข้อแล้วนี่นะฉันสบายจริงๆกูอานว่างนะบิมากอฟารรอลีรบบีว่าเจาลนีมินัลมุครมิน อยากจะมาบอกคนที่บ้านมาบอกถ้าทศานมีตายมาบอกภรยามาบอกคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องลุงลูนหลานว่าไม่ต้องวังฉันนะฉันอยู่สบายดีพวกเองต่างหากการรับผิดชอบดูแลตัวให้ดีแต่เลาให้มาบอกไหมไม่ให้มาเราก็ถูกหลอกอีกไปตั้งตัวครูเนี่ยหลอกวันศุกร์วิญญาณของยศจะมาเยี่ยมบ้านผมคคยเธอตหลักมาแล้ว ระวังนะคืนวันศุกร์นะวิญญาณจะมาถามว่าวิญญาณเนี่ยมาได้หรือมาไม่ได้ได้ไม่ได้พี่น้องมาไม่ได้ครับกุณอ่านอาย่ายังครับอัลลอฮฺสอนในคัมภีร์คุณอานเลยครับว่ามีววรอีหิมบัดจาคุนอิละยาอุมิยูปะซูลหลังจากวิญญาณออกจากร่างไปแล้ววิญญาณไปอยู่ในอาลัมบาดจา เดินหน้าสู่อาครเราะไม่หวนกลับมาประเทศไทยอีกแล้วไม่มาครับขนาดขอร้องนะะอย่ารอจะมาเล่าให้ที่บ้านฟังว่าฉันอยู่สบายให้บปล่ายังไม่ให้เลยไปลองฉะนั้นตัวคุณก็ลอกชาว บ, บ้านไปน้อ ง, งขุมข้โมก เ, เชิญตัวคุณามาอันนี้มากินกินไปน้องก็รอวันวันหนึ่งมือมือหนึงแต่วิญญาณมาไหมวิญญาณไม่มาครับใครสอนครับอาพสอนฉะนั้นเราขออยอาให้พ่อแม่เราดีที่สุด รบบิกฟิลลีวาลิวาลิไดยวัดคำพู ม, ม, มากะ ม, มารบบายานีสวรีรอขอทุกวันห้าเวลาพี่น้องเพราะว่าอัลลอจะเอาดูงอาของเราไปให้ที่วิญญาณมะเราเลยวิญญาณย่อเราเลยพี่น้องนี่เป็นสัจธรรมทั้งหมดพี่น้องมาจากอัลกุรอานและมาจากสุนนะนัดีทั้งหมดไม่มีคำพูดของใครเอามาอธิบายเอามาจากกุรอานและสุนนะนัดีทั้งหมดพี่น้องพี่น้องครับ ออล้อเรื่องชีวิตในกูโบ่กูอ่านแล้วกลัวมากเลยพี่น้องกลัวจริงๆริพี่น้องขออนุญาตตอนละอ่านกูอานโซโลนี้นะตาบาเรากัลรลาดบิอาดีฮิลมุลกูอ่านพี่น้องพี่น้องครับออย่างงี้เวลาทําความดีบนโลกดุนยาใบนี้ให้นึกถึงโลกอาคิร์ร็อตเยอะๆขณะทําความดีต้องนึกฉันจะได้รางวัลตอบแทนจากออล้อในโลกอาคิออาร์ร็อตยังไงขอยกตัวอย่าง คนที่เดินไปนมาที่มัสยิดนบีสอนอย่างนี้บั ช, ชิริลมั ช, ชาอินจงแจ้งข่าวดีกับคนที่เดินฟิซุลมีเดินในที่มืดมืดอิลัลมสัสยิดไปมัสยิดของอัลลอฮบินูริตามเยาวมันติมะเขาจะได้รางวัลตอบแทน ในโลกอาคีร์ด้วยรัศมีที่ที่สว่างพี่น้องได้เมื่อไรอาคีระรอนูน่นทาบนดุนยาแต่ไปได้อาคีระรอเห้ยไหมหางกันกี่พันปีนี่ไงความสําคัญของคอนทาความดีต้องนึกถึงโลกอาคีร์พี่น้องครับมันนับแฟใครที่แก้ทุกขคอนปล้นหรือแก้ทุกข์ ช่วยเหลือความเดือดร้อนของคนหนึ่งคนใดก็าตามบนโลกดุนยาไปนี้เราช่วยเขาพี่ น, อน้องตอนช่วยต้องนึกนะฉันจะได้อะไรตอบแทนในโลกอาเคโรต้องนึกครับนี่เมื่อวันอะไรเมื่อสักสี่วันที่แล้วมีอาดับสองคนมาหามาหาผม ไอ้ทุสภาไอ้เราไม่ได้กูผมบ <us> <ภ>อูอรู้เอานี่อาบัติอาบัติอนรับเข้ามานะัน่งแล้วมาทำไรเขาบอกเขาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นบูญาฮิดีมเป็นคนเนี่ยนะปกป้องาศาสนาของอัลลอฮ์ถืออาวุธอาวุธไปในสนามรอบแต่ตอนนี้กลายเป็นฟกิ้งิสกีนไปแล้วไปน่องผมก็นั่งนึก <us> ต้องให้ต้องช่วยไอ้เราก็าเงินกวไม่เยอะพอพอาจารย์กวนี้นี่ยละ เงินไม่เยอะไปน้องผมกวกควักให้ไปก็ไม่เยอะคนละห้ารอยห้าร้อยไปนองไอตอนควักไยล้อัลลอ์จะาผูอ่านอัลลอฮุมมะจุนีฟมุซีปฏิวัคฟเคยรามินฮาเงินก็น้อยอยู่แล้วดันแบ่งให้คนอื่นพอไปอีกอัลลอ์ต้องได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอ์อัลลอ์จะช่วยด้วยหะยไปอ้าคุณเชิญกลับบ้าดื่มแม่งคนละแก้ว เอาเดือบน้ำอา้าวขอเชิญกลับไปพี่นครับเวลาคนก็มาบริจาคเนี่ยต้องขอให้ไปเถอะอ ย, ย่าไล่วะอัมมาซาอิลาฟาลาตันฮัดคนมาขออย่าตะวาดคนมาขออย่าไลา่คนมาขออย่าตะเพิดต้องให้ถ้าไม่ให้ก็พูดจาดีๆเห็นไห ม, ไหมพี่น้องอย่าไปด่าก็เพราะกุร า, านสั่งพี่น้องฉะนั้นใครที่ดูแลสังคม ช่วยเหลือสังคมดูแลเด็กกำพร้าโอ้ดูแลดูแลคนด้านการเงินก่อนพี่น้องทั้งหลายครับอัลลอฮ์ก็จะปกป้องเราช่วยเหลือเราเวลาเรามีปัญหาทั้งดุลยาและอาขิลใจต้องนึกพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องนี่นบีสอนอีกนะสามีที่ป้อนข้าวภรรยาเห็นยังอัลลอฮ์อ้าอ้ปากหน่อยอ้าปากนะป้อนข้าวปันนี้อินชาห์ลามเบนอ่าอ้าปากอ้าปมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ นึกไปถึงมุสลมิมทำไมมันละเอียดอย่างนี้อ้าวพอพูดใเรื่องการออกออกกำลังกายคะนะออกกำลังกายหนึ่งให้ว่ายน้ำสองให้ยิงธนูสามให้เขมา่านี่เป็นการออกกำลังกายดีดีที่สุดถามว่าออกกำลังกายเพื่ออะไรเพื่อดูแลศาสนาของอัลลอฮ์เวลาเราแข็งแรงดีและข้อที่สมีอยู่ข้อหนึ่ง พ, อ, พออกกาลังกายดูแลสุขภาพแข็งแรงนบีลงทงงนะ้ายอยงางนนะยอมรอบกับภรรย า, าก็มีมีได้ได้สองอย่างได้ความสุขด้วยได้ลํำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยสรุปแล้วผมตั้งปรึก ษ, ษากับหมอนะคนที่ให้ความสุขกับภรรยาเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดประมาณสามชั่วโมงครึ่งใช่ไหมท่านอามัดนาะนาะการออกกำลังกาย หยอกล้อกับภรรยาในห้องนี่เป็น้องครับเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดนะเป็น้องเห็นยังครับมับนอินนสลามสอนดีมากค่ะเปน็นน้องฉะนั้นวิ่งออกกําลังกายขี่ม้ายิงธนูไหว้น้ําเชิญตามสบายแต่อย่าลืมออกกําลังกายที่บ้านด้วยดูแลใครดูแลภรรยาดูอัลลอฮ์นี่ครับอิสลามคุมอัวเรายิ่งใหญ่มากเราห้มโดยลด็ดขาดผมสอนนักเรียน เรียนหัวรากันใหญ่เลยโอ้ข้อข้อที่สี่ดีนะอาจารย์การให้ความสุขกับภายาเป็นการออกกำลังกายดีๆถือประมาณสามชั่วโมงครึ่งวิบวิ่งสนหลงราเก้าได้สามเที่ยวเป็นน้องครับมาดูกุรานฝลัมมาเราเอาฮูซุลฟะตันนี่เป็นน้องอ่านอายานนี้ให้เข้าใจนี่นะคนกาเฟเมื่อฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพที่น้อง พอฟื้นขึ้นมาจับหลุงฝังศพนี่กุรานอธิบายยางไงดูไหมมีคนอยู่สามประเภทฟื้นขึ้นมาบางคนชายหัวเดินเลยเอานึกที่ภาพใครใครใครไปน้องคนที่ชายหัวเดินนะใค ร, ใ ค, รคนที่เล่นงานมุสลิมวันนี้ทั้งหมดคนที่เล่นงานมุสลิมวันนี้ทั้งหมดเข็นข้าวมุสลิมเอาระเบิดไปลงที่อิรักปลุกไปลงที่ซีเรีย มุสลิมถูกฆ่าทั้งอินเดียและปากีสถานแต่ที่คัชเมียร์น้องมุสลิมถูกฆ่ามาทั้งหมดคนเหล่านี้จะจะให้จะให้ศีรษะเดินกลุ่มที่สองจะใช้เท้าเดินคือกลุ่มผู้สทาต่อเลาะและอีกกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ได้นั่งยานประหาะนี่กลุ่มไหนครับบรรดานาบีทั้งหมดไปนอ้องเาผมอ่านทัดิสพบอีกไปน้องคนที่มีศาสนาคนที่เป็นมุมินเมื่อฟื้นจากกูโบ วันฟื้นคือมาจากสุสานพี่น้องครับมีบรลัยเก้าสององค์คอยดูแลอยู่อายุเท่าไรรู้ไมส้มสิบอายุสามสิบตอนแก่ตอนตาอายุเจ8ดสิบปดสิบดสภาพใดก็ตามพี่น้องพอฟื้นปั๊บอายุสามสิบเอาไม่เอาผมเอาคนหนึ่งนะแล้วก็วันนี้หนวดเทาเต็มไปหมดพวกเอาใช่หรือไม่ใช่ มองกับคนที่ไม่มีหนวดข้าวใครลอกว่าไอ้คนไม่มีหนวดมันก็รอกว่าใช่ไหมนะแต่เรา ด, ดูดูดูดูเดีด๋ยวหนวดเข้าวลุงรั้งเราสะบัดอดทนมาแต่วันนั้นพอฟืน้นภาพหนวดเข้าไม่มีไปน้องกรีงร๊งเลยรูปหล่อแล้วขนตาเนี่ดําเมี่ยมนี่หะยุสนบีสอนกันไปน้องอ่านพบเมื่อคืนเองฮัลโลพระคุณว่านี่ความรู้มันพาเรื่อยๆไปน้องอ่านไปเจอไปอ่านไปพบไปอ إ ي م านพาเพิ่มไหม โ oh, อาา้อยากจะสมาดิอยากจะศิกษารุ่นละอยากจะอ่านกูรานคนมุมินตายตอนฟื้นอายุเท่าไรสามสิบ <30. S 1> รวมถึงผู้หญิงด้วยนะ mm hmm. เขาเอ่ยผู้ชายคนเดียวเหมือนคุมถึงมุสลิ ม, ม่าด้วยพี่น้องแล้วก็หัดเขาไม่มีและขนตาเนียงามร อ, ไไมร อ, อยไหมล่ะรโอยอ่าพี่เราเห็นยังครับเนี่ย ยิ่งใหญ่ขนาดไหนใครไปนอนฉะนั้นถ้าอ่านชีวิตหลังตายชีวิตอยู่ในกูโบอัลลอฮ์พี่น้องครับฉะนั้นอยู่ในาศาสนานี่แหละรักษ า, าศาสนานของอัลลอฮ์ให้ดีพี่น้องดูแลลูกเราไม่ดีดูแลภรรยาของเราให้ดีพี่น้องภรรยานบดเบียพี่น้องครับมีอยู่ข้างหนึ่งนบีต้องการจักรยาภรรยาจัยาน่ะก็ก็มีเรื่องมีราวกัธรรมดาก็คนพี่น้องอัลลอฮ์ให้ยิบรีน ล, ลงมา บอกอยายาสาเหตุเพราะนางนามาดห้าเวลาห้ามอยา่าข้อที่สองนางถือศีลอดอยู่เป็นประจำเห็นไหมเพราะนั้นนมาดกับถือศีลอดเป็นงานที่มีเกียรติมากเลยแล้วข้อที่สอัลลอฮ์สัญญาให้พญาอับดาะห์ทั้งหมดเข้าอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภาโน้วเพาะนั้น นำมาดกับถือสินอดรักษาพี่น้องรักษาไว้ให้ดีอย่าให้ขาดมันต้องนำมาดห้าแล้ย่าให้ขาดนำมาดสุนัตเก็บให้หมดพี่น้องดูฮะเก็บต่ฮัดยุดเก็บเก็บให้หมดพี่น้องอย่าให้มันขาดลอยไปโดยที่เราไม่ได้มีโอกาสได้ทําความดีส่วนนี้พี่น้องเอาพี่น้องอ่านอีเที่ยวนะฝัน ม, มารอเอาจุลฟัตันซีอัตุจูลละดีนักกัฟรู ว่า quila ซาลลิคุตุมบิตดแต่ขั้นเมื่อพวกเขาเห็นมันใกล้เข้ามาเห็นนรกใกล้เข้ามาใบหน้าของพวกเขาผู้ปฏิเสธนั้นจะหม่นหมองมาด้วหน้าคับมาเมะดำและจะมีเสียงกล่าวว่านี่คือที่สู่เจ้ารองขอมาคือก่อนที่ก่อนจะตาย้าว่าวันเกียมมตรติมีจริงก็ให้น บ, บี แสดงให้เห็นหน่อยได้ไหมอย่างนเป็นต้นนะครับนบีก็ว่าฉันมีหน้าที่สอนส่วนอัลลอฮ์เป็นผู้ให้จะให้เกิดยังไงเป็นผู้ให้เป็น้องลายเป็นน้องทราบไหมวันกียรติจะเกิดวันไหนวันศุกร์อ่าเป็น้อง น, นี่หะดิษนบีสอนอย่างนี้ครับพอวันศุกร์ปับ๊บชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ นะครับภูเขาแม่น้ํามหาสมุท ร, หรกหลายกกลัวกลัวครับพี่น้องตัวสันกันหมดเลยยักนะยฟักนะ่ะยักฟักน่ะกลัวมากครับชันฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจรรันทร์ภูเขามหาสมุทรแม่น้ํากลัวพี่น้องว่าวันนี้จะเป็นวันสิ้นโลกหรือเปล่า <S <S เห็นไหมพี่น้องด ล, ล, ล, ลรากลัวไหม คนที่เรียนศาสนาเข้าใจศาสนาคนที่มีอีมานอ่านกุรานบา่อยๆถ้าพบเขาจะกลัวทันทีโอ้วันนี้ถ้าเป็นวันวันศุกร์นะฉันเตรียมพรนะ้อมไหมนะถือน้ำขึ้นมาอาบน้าอาบท่านมาดก่อนห่อซุนโบก่อนพี่น้องครับถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นบนโลกดุนยาใบนี้คนที่นั่งในมัสยิดจะปลอดภัยหมดเลยครับพี่น้องอซาบจะมาใช่ไหนก็ตามแผ่นดินจะแผ่นบินไหวขนาดไหนพี่น้อง อยากดื่ซึนในมิครั้งที่แล้วเห็นไหมคนที่นั่งอยู่ในมัสยิด ม, มีมัสยิดพี่น้องไม่พังเพราะอะไรครับที่ประเทศไหนเนี่ยอินโดนีเซียใช่ไหมเชอเจะไปน้องนั่งอลัลลอฮ์ให้เห็นนะเพราะนั้นบ้านพังหมดหตึกรามพองแต่มัสยิดของอลัลลอฮ์ไม่พังอ่ะคนที่มัสยิดไายไปน้องเห็นยังครับไปน้องที่นาบีพูดเอาไว้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดกันจริงเพราะนั้นวันศุกร์พี่น้องเราเตรียมให้พร้อม ใช่เรอเนื้อคนนี้เธอวันเก่ามาอัลฮัมดุลิลลาห์พรวกมาคืนก็แต่มาสุบโบแลว้วใช่ไหมอิชาก็นมาแล้วกรอ่านก็อ่า น, นแล้วซิกรฤลรอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องฉะนั้นปลูกลูกนมาด้วยพี่น้องปลุกภรรยานมาดวิธีปลุกลูกปลูกอย่างนี้มันจะเรียกขึ้นขึ้นขไม่เอาเปลี่ยนไหมอะไรนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัลลอฮิอยานะ บาดมาอมาตนาวะไหลหินนูชูรนี่เป็นดวอาตื่นนอนขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วให้เราตื่นขึ้นมาแล้วอ่านดวอาบนี้ที่ปลุกลูกนะแม่ฉลาดเรียนศาสนานดหน่อยนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮิอัลัยฮนาบาดมาอมาตนาวะไหลหินนชูรว่าห้าเที่ยวลูกเราปลุกยากอยู่แล้ว ใช่หรือไม่ใช่กินรูโต้คูนสบเที่ยวเลือกตัวมหมามทีี่สิบเที่ยวไม่ขึ้นน่ะพี่น้องต้องอดทนหมดเลยพี่น้องครับฉะนั้นตักเตือนลูกอย่าดา่าอย่าด่าลูกพี่น้องนี่นบีสอนนะเพราะนาบีไม่เคยด่าลูกนบีไม่เคยตบหน้าภรรยาไม่เคยด่าภรรยาอขอเล่านิดหนึง่งนบีรู้ว่าวันไหนท่านหญิงอาชาเนี่ยพอใจนบีหรือไม่พอใจนบีนบีรู้ น้าว่ารู้ได้งไงลองสังเกตนะมุสลิมสังเกตให้ดีนะว่าภรรยาอบดุลเบบีเขายังไงนับีพูดแบว่าวันไหนที่ภรรยาไม่พอใจนบับดีภรรยาจะพูดอย่างนี้เวลาพูดพูดพดทันขอสาบานต่ออัลล์พระผู้อภิบาลของนับี อ, อ, อ, อาาบิบรอฮีนไม่เอ่ยชื่อมูฮัมหมัดเอ่ยนับบีบรอฮีนับีรู้ละวันนี้ภรรยาไม่พอใจชาละ วันไหนพอพูดไปพอจะพูดสาบานวันไหนพอใจพูดอย่างนี้ขอสาบานต่อ Allah, พอพัลลอฮ์ผู้อภิบาลของนบีมุฮัมมัด <c oughs> อ่าแ ส, สดงว่าภรรยาพอใจสามีใช่ปะชกใช่แล้วเห็นไหมเขาไม่เอ่ยชื่อ ย, อย่างเดียวแต่ว่าหุงข้าวเหมือนเดิมจัดเสื้อผ้าจัดอาหารพูดจาพรา่อกับสามีเหมือนเดิมทุกอย่าง เสียเอาอย่างเดียวไม่เอ่ยชื่อพระมันไส้ <c oughs> ใช้หรือเปล่ามุสลิมอะเอาสูตรนี่ไปใช้บ้านมีบารากัดอย่าทะเลาะกับสามีเลยเอาลอสามีหาเงินให้อย่าคิดดูสิดีหรือไม่ดีเอาล่มีมุสลิมอะอยู่คนหนึ่งไปทำงานที่โอมานรับอิสลามแล้ว ทางที่ดูไปมุสลิมแบบเราเนี่นะพะัฒนาทางที่ดูไบที่เที่ยวชาติโอมาลหลายเดือนแล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชอบกันกันนแล้วผู้ชายคนนี้ก็บินมาดินบินมาตามผู้หญิงอ่ะทีหล้วผู้หญิงว่าถ้าจะถ้าจะาแต่งงานก็ต้องมาหาอาจารย์มุสฟาผมผู้หญิงก็จากผมชาวอ่ะไปไปไ ป, ไป เขาพามาหาผมคูก็ถามมเป็นคนซูดานทางานอยู่ในประเทศโอมานมอนเดือนแพงความรู้ดีอะไรดีหมดก็อชอบคนไทยก็แต่งงานกันเขาบอกกับผมนะหลังจะ แ, แต่งงานห้ามทำงานผู้หญิงไปไปทำงานหาเงินแต่ไปเจอสามีคนนี้บอกผู้ช่ย อ, นะอธิบายหน่อยถ้าแต่งงานกับฉันนะ ห้ามทำงานพอใจปะพอใจเนี้ยสิไม่ทำงานมันของชอบอยู่แล้วห้ามทำงานอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วดูถ้ามีลูกดูแลลูกดูแลบ้านมีสองอย่างให้ขับรถไปส่งก็าที่ทำงานตอนเช้าแล้วก็ไปรับเน่ตอนเย็นพอใจปะโอ้โหไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินฉะนั้น อ, อิสลามเนี่ยดีมากเห็นไหสามีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ด้านอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยพอกเกตมันนี่ไม่ตกไม่ดา่าไม่หนีเจรายการนี่คําสอนของอิสลามท่านใครจะมีสามีที่ดีๆรับพอ่อเจ็ดเจ็ราการเนี่ยคนนี้อาจารย์ว่าดีไหมไอมัมกนก็นี้โอ้เอ้าอักภาษัฒมนาณาบริหารได้สบายเงี้ยหเสื้อผ้าสองอาหารสที่อยู่อาศัยสี 4, ่อกเกตมันนี่5ไม่ตกตีหไม่ดา่าดีไหม นางไปสวัสดีเราไปสวัสดีราสคนห้ามทะเลาะกันไป็นไนอ ค, ครับยัมีเวลาอีก5นาทีเดียวจะทักพักพักเบรกนะแล้วก็มีคำถามอ <laughs> ่นก็ขอพัอพักเบรกแค่นี้นะสุภ า, านักมมนก็อุมาบวมีคำมดีก็สุนทรีละิละอิลอันตะอัสตัฟเวลกวตูบิไลครับ่าคำถามที่หนึ่งนะครับการละหมาดตะหยุด น, นะครับรเราจะต้องหลังละหมาดหลัง ละหมาดวิเทสหรือละหมาดเวลาไหนนะครับขอเจนอาจารย์ครับอัลลอฮฺยุห์ราะห์มานุรรฮัยมละมาดวิเทสเนี่ยวิเทสเดาแปลว่าอะไรก่อนนะวิเทสแปลว่าเลขขี้จำนวนขี้นะอัลลอฮเนี่ยชอบเลขจำนวนขี้หนึ่งจำนวนขี้นะหนึ่งสมห้าเจดกนะ้านวนพวกเนียเป็นขี้หมดอัลลอชอบ นม้มันวิเตสนี่ยให้น้มาตหลังนมาตอิชานะที่ดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดก็ประมาณช่วงช่วงสุดท้ายของกลางคืนตีต3สตี4่อ่าสากับ4ีนี่นะก่อนน้มาตสุบโบซักสักค ร, กรึ่งชั่วโมงหรือ4ีสิ้านาทีเนี่ยช่วงนี้ดีที่สุดนะครับให้นมาน ต่เราให้นามาตวิเตสนี่หลังนามาตอิชาหลังจากนามาตสุนักอิชาเสร็จแล้วพี่น้องให้ทําตอนดึกๆ ด, ดีที่สุดนะทำตอนตีสามตีสี่ช่วงนี้ดีที่สุดที่ผู้คนกําลังนอนหลับกันหมดเนี่ยเราตื่นมานามาตคนเดียวนะครับดีที่สุดแล้วก็นามากีเราอาจถามๆหรือเปล่าไม่ไม่ไม่จะถามใช่ไหมอาคุณบอกเลยครับนามาตเนี่ยสองเราก็อาจอย่างน้อย สีเรกาก็อ่าถ้ามีความสามารถหเรกาก็อ่นดีแปดเรกาก็อ่านดีที่สุดทาทีลสนะสนมาช้าชานะ่ยืนนานๆหน่อยก็ได้พอนบียืนอยู่ทางท่าบวมยืนอยู่กับทางทา่าบวมอับบะคนอ่านคุอ่านอ่านอ่านอ่านสุรยาซีได้ท่องไปเลยอลอกบัตรอ่านยาซีเลยแล้วก็ตะบาร์กันลดีทีสองเรากอ่านแล้วโอ้โหไหวหรือเปล่าเรขี้เกียจ <laughs> เป็นตองนี้แหละอ่านคุณนะอานเยอะเะ บางคนอ่านไม่ได้อ่านกุญยาได้อย่างเดียวก็อ่านกุลยาอ่านไปห้าเที่ยวกุลยาอายุลกาฟิลุจุลละกุลยาอายุลกาฟิลอ่านไปเลห้าเที่ยวสิบเที่ยวพี่น้องได้ไหมได้นะอ่านซ้ําไปซ้ำมาก็จะท่องได้แค่นั้นแล้วก็อ่านแค่นั้นนะแล้วก็ลุกว่าก็นานพอๆก็ยืนแล้วก็สูญยูทก็นานพอก็ยืนทําเหมือนดบมดีมุฮัมมัดสุลตานแล้วก็สูญยุทธ์พี่น้องครับให้ขอโนอาเยอะๆนึกภาษาไทยนี่ได้เลย ก่อนสูย้ยดนะนึกภาษาไทยได้เลยเอาขออะไรขอให้รวยยลล์ฉันรวยรวยรวยรวยลล์เอาหายมีลูกลูกดีๆขอไปเลยไปน้องแต่อย่าพูดนะให้ไรให้นึกอ่าห้ามพูดแต่ให้นึกนึกเป็นภาษาไทยนะโอเคต่อไปครับครับ อ, อาจารย์เฉยๆหน่อยอะไรเนี่ยกรณีกรณีภรรยาตาย อะไรนะมีข้อปฏิบัติของสามีอย่างไรอ๋อเหมือนกับภรรยาหรือไม่อ๋อสามภรรยาตายสามีไม่ต้องทำเหมือนภรรยาไม่ต้องทำไปน้องไม่มีอิดดะอ๋าาสามีไม่ต้องรออิดดะออกข้างนอกได้เหมือนเดิมไปไหนมาไหนออกไปทำอุมรอทำพยีได้ตามสบายไม่ต้องรออิดดะนะครับ จะแต่งงานใหม่ก็ได้เลยไม่มีปัญหาบางคนยังภาวาอยู่ไม่กล้าไม่กล้าดูพรยาเล่นงานได้เลยไม่มีปัญหาแต่ต้องนำมาครบ5าเวลานะครับผมแล้วขออนุอาตให้ภรย า, าด้วยอย่าลืมนะพอได้มาแล้วลืมคนกูโบ ขอเธอท่ขอดูอาเยอะอ่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺมะฟิลลาฮฺวาฮัมฮาวาอลลาฟิฮาวาฟูอานาขอภาษาไทายก็ได้เป็นอันครับครับทีนี้ภรรยารออิดานดานานานีช่วงนั้นมีคนมาขอแต่งงานได้ไหมที่ภรรยาที่สามีตายแล้วเนี่ยอินดานยาวหรือเกิน4เดือน10วันยาวไปที่ยาวเนี่ย การให้ใจมันสงบพอสงบแล้วใครมาจีบมาเจอเนี่ยเราอย่าไปโต้อตอบอะไรเยอะเก็บไว้ในใจย<ม>ิ้มๆแบบพูดไม่ได้ว่ารอสี่เดือนสิบวันหลังจากนั้นค่อยว่ากัน อ, อยู่ในใจน ะ, ะ, จะ ห, ห้ามพูดเยอะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างนาบีใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ไหมครับครับครั บ, รบตอนนี้ที่ว่านาบีมีปัญหาอะไรที่ว่าจะต้องหย่าปริยญานี่ย มิสาเหตุอะไรครับเพราะอยังนบีจะต้องยาภรยาพ่ออะไรคือก็มีเถียงเถียนกันบ้างในเล็กในน้อยนะฮะเช่นอะไรบ้างอ่ะมีผู้หญิงเขาก็อิจฉากันธรรมดากับมิมของธรรมดาเช่นนบีไปไปนั่งที่บ้านภรยาคนนี้ใช่ไหมก็บ้านหลังนี้ก็อีสองบ้านเนี่ยประชุมกันว่าเดี๋ยวนบีมาเองพูดอย่างนี้นะ ไปทานอะไรมาปากเหม็นอ่าไปทานอะไรมาเนี่ปากเหม็นสองคนนี่ประชุมลับๆกันพอนบีนั่งบ้านนี้พยาคนที่หนิ่ยกตัวอย่างนะทานน้ำผึ้งมาพอเดินเข้ามาบ้านพยาคนที่สองพยาว่าอะาวไปทำอะไรไปดื่มอะไรมานี่ปากเหม็นเหลือเกินนบีว่าฉันขอสาบานต่อแล้วฉันจะไม่กินน้ำผึ้งอีกต่อไปเพราะว่ากินน้ำผึ้งมาในปากเหม็นใช่ไล่ะ นบีก็ตรงเลยเกินนะครับดุลิดาข้างบนได้ยินหมดเลยนะว่านาบีสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าจะไม่ดื่มน้าพึ่งไม่ได้เพราะน้าพึ่งมันของข้าล้านจะสาบาว่าไม่กินน้าพึ่งก็ไม่นะจะเอาใจภรรยาก็ไม่ได้เอาใจในของที่ผิดผิดนี่ห้ามนะมีญาติกี่คนคุณเดียวรู้สอง <laughs> ถ้เอาใจภรรยาในของที่ผิดผิดนะไม่ได้นะพูดอ่ะ ฉันจะไม่ดื่มน้ําพึ่งเพื่อจะเอาใจภรรยาคนนี้นะอลัลลอฮ์ไม่พอใจอลัลลอฮ์ก็บอกโอ้คุณนบีอย่าอย่าได้นะอย่าสาบานว่าจะไม่ดื่มน้าพึ่งไม่ได้จากเรื่องตรงนี้แหละนบีก็เลยว่าฉันอยากจะอย่าภรรยาอ่าเห็นไหมท่านผู้หญิงก็ต้องนึกเยอะนะอย่าทาําอะไรผิดๆหลักการอิสลามนะจะนั้นอยู่กันดีๆสามีก็เหมือนกันกอันเอาใจภรรยาจะซื้อทองให้ก็พอแล้ว อย่าไปโกหก ว, ว่าของฮารอมไม่เป็นของฮารานของฮารานเป็นของฮารอมอย่าทำนะทำทำมีจริงกับปู่ซาผมก่อนก็ได้นะครับแต่ที่นบีบอกว่าสามีต้องให้อภยัยภรรยาวันละเจดสิครั้งก็คิดว่าคงไม่เวรทะเลาะกันไหมอาจารย์อัลลอฮฺนี่แต่หากว่าสามีนึกถึงฮะดีษบทนี้นะอาฟูอันฮะกุลยามินซาบไกนามาราะตัน ให้มองข้าไม่ให้อภัยภรรยาผู้หญิงทั้งหมดน่นละที่อยู่ที่บ้านด้วยพี่ป้านะ้าญาตเรามะเราพี่สาวน้องสาวผู้หญิงทั้งหมดจะรวมถึงภรรยาด้วยคนอื่นด้วยในบ้านนี้นะอภัยเจ็ดสิบครั้งอัลลอฮฺผอัฟัปัญหาไม่มีถ้าให้อภัยจะทําไม้นามาตให้อภัยได้ไหมอามันก็ต้องรู้ว่าเรื่องอะไรเหี่นความสะอาดในบ้านมีไม่ถึง ขูจะไม่เพราะหน่อยแล้วก็ให้อภัยไปเลยแต่งตัวไม่สวยหน่อยเคยใส่น้ำหอมกลิ่นนี้วนกกนนันนี้ใส่อีกลิ่นนึงกลิ่นนี้ฉันไม่ชอบเลยอย่าโวยวายอย่างเงี้ยนะ<ช>ารายละเอียดทั้งนั้นคือกับผมตัวตัวเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เป็นวายิบ <laughs> ใช่ไหมอาจารย์นะครั บ, รบการเรียนรู้เป็นวายิบนะครับเ <laughs> พราะว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครับ สัตว์ผู้มเาเข้าริบสลาเนี่ต้องศึกษาอยู่ตลอดนะเพราะนบีบอกว่าตลอดวนนี้มีฟาริดตุนนาลากุลิมุสลิมใช่ไหครับผัวยิบใช่ไหมอาจารย์นะต้องศึกษาความรู้ถ้าเราไม่ศึกษาก็ไม่สามารถจะรู้ได้การปฏิบัติระหว่างสามีกับภรรยานะครับยาหายต่อไปวิทยานา้หมาอาจารย์ทงสายแว่น วิธีการอาบ น, านา้ํำนมาสการล่างมือกี่ครั้งต่อต่อข้างล่างมือขวาสามครั้งซ้ายสามครั้งล่างมือขวาและซ้ายสามครั้งข้อหนึ่งและข้อสองอย่างไหนดีกว่าการรี่ถูกต้องกว่าโอ้มำนี้เราถามดีมากนะการอาบ น, านา้ํานําส ม, มารรักษาหน้ํามานไม่อย่างให้ขาดเพราะเป็นอาวุธเป็นรัศมีในี่ยโลกอะคริลอลอ๋อน้องอัลลอฮ์จะให้ใบหน้ามีรัศมี ศีระมีรัศมีที่แขนมีรัศมีที่เท้ามีรัศมีเพราะร่องรอยของการอาบน้ำน้ำอานะครับเอาวิธีล่างเนี่ยพี่น้องครับล่างมือพร้อมๆกันเลยน ะ, ะพร้อมกันไม่ใช่ลากทีละข้างสองมือเนี่ยเปิดน้านอย่าเปิดแรงนะคนที่จา่ายสตางคน่ยปวดหัวแพงเอาล่ะเนี่ยลากเปิดน้อยๆหน่อยนะเนี่ยล่างมือทั้งสองข้างทํานี้นะทํานี้ด้วยนะยนะสามครั้งนะครับ แล้วก็ล้างมือขวามือซ้ายพร้อมๆกันเลยไปนองอย่าไปล้างเวลาอานน้ำละหมาดล้างมือขวาก่อนเนี่ย น, น้ําจากข้างบนลงมาขึาา้นมาที่มาไม่ใช่ข้างบนล ง, ลงมาข้างล่างมาจะข้างล่างมาข้างบนอย่างนี้นะล้างถูกให้สะอาดเนี่ยสามครั้งนบีเคยอ่านมลลามาดหนึ่งครั้งก็มีสองครั้งก็มี สามครั้งก็มียังมากเนี่ยสามครั้งเพราะอะไรนะเพราะเราอาบน้าใหม่ๆน้าน้ำมาดเสียไปอาบน้าน้ำมาดครั้งที่สองเนี่ยถูกครั้งเดียวก็พอแล้วเพราะมันสะอาดอยู่แล้วนะด้านข้างขวาก่อนแล้วข้างซ้ายส่วนล่างเท้าผมขอแนะนําอย่างนี้นะให้เอานิ้วนิ้วอะไรนิ้วก้อยมืออะไรมือซ้ายแย่ลงไปไหนช่องเท้านี่นะสุนทรีบี บางคนนะเอาไปเต้นรําอยู่หน้ากอกน้ําใช่ไหมไม่ใช่เคยทําใช่ไหมอย่าทําอย่าทําอย่าทํา <c oughs> ผมเคยทํามาแล้วตอนเป็นนักเรียนอยู่หายเวลายัย่างแล้วรีบๆอะไรแข็งๆกันไม่ใช่มันจะพิษทั้งหมดวันนี้เปลี่ยนใหม่ทําช้าๆแล้วก็นึกถึงมิฎูะอ่านอีกพี่น้องนะแล้วก็เอามือซ้ายเนี่ยก้มลงไปเหยีอย่างนี้อัลลอฮฺอัลมัตนึกนึกคำอยู่เรื่แ ล, แล้วก็อย่าลืมอ่านดูอะ أشهد والله إله إلا الله و คก็ได้รมีต่ออีกต้นหน่อยก็ได้นะครับผมครับในศาสนาอิสาลามมีหลักเกณฑ์อะไรที่จะเลือกผู้นำครับกเกอาำอย่เลยลคำถามนีนักการเมืองเนี่ยนะเอาอย่างนี้เลือกผู้นำในะอิสลามนะบีสอนเอาไว้ให้เลือก ผู้นำในสี่ข้อข้อที่หนึ่งเลือกผู้นำที่เข้าใจอัลกรุรอานอ่านถูกต้องอธิบายกราุรอานเข้าใจกรุรอานเสียงดีด้วยทัศ<อ>นะอิ ม, มานพาณฟีคนเป็นผู้นำนะต้องรูปลอสองเมียสวยสาใจกว้างสี่แล้วก็มีเงินเยอะ ทัศนานะทัศนาอิหมามนะเอามาช่วยโดยก็ได้เอาของนบีของนบีมีสีข้อข้อที่หนึ่งเลือกคนที่อ่านกอ่านเข้าใจอันกานอ่านถ้าหากมีผู้นำสองคนเท่าๆกันให้เลือกคนที่เข้าใจสุนนะนบีมากกว่ากันอสุนนะนบีพี่น้องรู้ที่เยอะเนี่ยจะกินตามสุนนะนบีทํำยังไงนอนตามสุนนะนบียังไงใช่ไหมมีหมดจะแต่งตัว ยืนหน้ากระจกอ่านสุนัตนต้องสอนหมดเลยต้องเข้าใจเรื่องนี้ถ้าหากเราได้ผู้นำที่เข้าใจสุ น, นัตนะ บ, บีถ้าหามันเกิดเท่ากันสองคนหรือสมคนมีเท่าๆกันวุฒิเท่ากันหมดเลยให้เลือกคนที่ตั ก, กวาเกี่ยกับการใครทําความดีมากกว่ากันเช่นเอาเช็คเรื่องบุรีก่อน คนนี้เลิกสูบบุหรี่ก่อนคนนี้เลิกทีหลังห้าเดือนคนนี้เลิกก่อนหเดือนเอาเลือกคนนี้ถ้ามันเลิกพร้อมๆกันพี่น้องทําไงเลือกข้อที่สี่อวุโสใครที่มีอายุอวุโสมากกว่ากันสี่ข้อนี่การเลือกกูนําเข้าใจนะข้อที่หนึ่งเข้าใจอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานเข้าใจากรุร์านดี สองเข้าใจสุนนะมากกว่ากันข้อที่สีเลิกคําทําความชั่วใครเลิกทําก่อยคนนั่นเป็นผูน้นาถ้ามันพอๆกันเลือกก็ได้นะใครที่มีอายุมากกว่ากันอาวุโสชื่อศาสนาพุทธอาบิชัยนะครับเลือกกันได้นะเจ้าอาวาสนะนี่ย <Hey. S 1> ออมีเอาเอาวุโสอิสลามก็สอนไว้แล้วในะเรื่องนี้ครับผมก่อนนี้โอเคคุณ อ, อยากให้อา่านอธิบาย อ๋ออยากให้ท่านอธิบายสุรุลยาอายุหัลกาฟิรุนลมยาวไหวหมดหมดเวลาอธันทันทันสุรุลยาอยุฮัลกาฟิรุนแปล ว, ว่วลาอะไรครับกุลแปลว่ามุฮัมมัดออเนี้อัลลอฮ์คุยกับนบีมุฮัมมัดนะมุฮัมมัดเออใจงประกาศอยุฮัลกาฟิรุนโอพวกกาเฟ่เอย คนกาเฟต่คือคนคนคนฝร knun นะคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธนบีมุ hammad คนที่ปฏิเสธกุรอานคนที่ไม่อีมานไม่มีอีมานหข้ออีมานต่ออิลออีมานต่อรอซูนอีมานต่อมลายิกาอีมานต่อคำพีอีมานต่อวันสิ้นโลกอีมานต่อกฎกรดกรดัดหมายถึงกฎสภาวะของอัลลอฮ์ถ้าไม่มีอีมานหข้อนี่เขเป็นคนกาเฟตหมดเลยอัลลอฮ์บอกให้นบีพูดกับคนกาเฟตว่ากุล ยาอยุหัลกาฟิรูนโอคนกาเฟตเอ๋ยและอาบูดูมาตาบูดูฉันจะไม่เคารพพักดีเหมือนกับที่ท่านเคารพพักดีฉันจะไม่เคารพพักดีเหมือนกับที่ท่านเคารพพักดีเอา้เอาวมุสลิมพักดีต่อใครต่ออัลลอฮ์ใช่ไม่ใช่คนกาเฟตกราบอะไรกราบรูปจังเวี คนละอย่างใช่ไหมนี่เอาลอบบอกกับ น, นบีมหมดเอยบอกคนกาเฟตให้รู้ให้เข้าใจนะฉันจะไปกราบพระพุทธรูปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปปัน้นรูปเจวเวตอย่างคุณเนี่ยไม่ได้คือสาเหตุเป็นอย่างงี้มีคนกาเฟตมาหานาบีมาปรึกษากับนบีมุสลิมสลาบอว่าเอานี้ได้ไหมมาร่วมกันมาร่วมกันคนละปี นี้พวกคนกาเฟสเนี่ยจะมาอยู่กับนบีจะมานางมงนมาที่มสัสยิดของนบีทําเหมือนนบีทุกอย่างเลยปีหนึ่งแล้วปีต่อไปให้มุสลิมทั้งหมดเนะข้าวัด <g ülme> ไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปจเจวีตทั้งหมดคนละปีเขาเรียกว่าอะไรนะเอามารวมกันนะเอามาปรองดองกันทำของอัลลอฮ์ด้วยแล้วทำของมามูชาจเจวีตด้วย อ้าเราพอมาปรึกษาอราได้ยินหมดแล้วอ๋อนี่ปรึกษาผิดนี่อย่างนี้ไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยประทานกรุณาหลวงป่าท่านญินบรีนบอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยกุลจงพูดกับคนกาเฟสว่าตอบอย่างนี้เลยไอยูฮัลกาฟิรูนคนกาเฟสเอ๋ยลาอับูดูฉันจะไม่เคารพมาตะบูดูอย่างที่ท่านทั้งหลายเคารพของใครของมันอ่าต่อมาอีกอะไรนะ ทูลยา أيها الكافرون لا أعبد ما ล ع ب د و ن ولا أ ن ت ดูน ب มาอ ما أعبد พวกท่านก็จะจะไม่เคารพไม่สิ่งที่เราเคารพของท่านก็ของท่านไปของเราก็ของเราไปแยกกันชัดเจนเลยต่อไปอะไรกูลยา أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أ ن ت ดูน ب มาอ ما أعبد แล้วก็ละกุมดีนุกุมวาลียาดีนของท่านท่านก็เคารพไปสังเกตนะพูดของของคนกาเฟก่อนนะละกุมของคุณน่ะคุณก็เคารพไปวาลียาดีนของฉันฉันก็เคารพเหมอนกันเห็นไหมให้เกียรติคนกาเฟ่ใช่ไหมนะ่ะเอ่ยก่อนด้วยละกุมศาสนาของคุณคุณก็รับผิดชอบไปดูแลกันศาสนาของอัลลอฮ์นบีรับผิดชอบก็ ต่างคนต่างทำไม่ต้องมาปะปนกันชัดเจนไหมชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้วัฒนธรรมเนี่ยอย่าเอามาใชาน้น่ะนี่อย่างอะไรนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยเราจัดงานแฮปปี้ birthday, เบิร์ดเดย์ได้ไหมไม่ได้พอแฮปปี้เบิร์ดเดย์บางคนฝั่งนู้นเขาทำใด่ไหมเอาล่ะเขาแอบกัตัดเค้เนี่ยได้ไหมไม่เหมาะยิ่งเลยเราอากาศอินพาลามปลายคำ <laughs> ใช่ไหม ชัดเจนมันต้องแยกกันชัดเจนเอ้าคนฝั่งคนโน้นเนี่ยคนลาก็แต่งงานลูกเขาไปหาหมอ ด, ดูใช่หรือไม่ใช่เขาดูเรื่องดูยามสังเกตนะเขาจะทําการแต่งงานเวลา9ก้าโมงกับ9นาทีเขาเชื่ออะไรเชื่อฤกเชื่อยามหมดเลยอ่ะแต่ฝังคนนี้ได้ไมันไม่ได้ทุกวันดีหมดวันของอัลลอฮ์ทุกวันดีหมดเลยก็ไม่มีวันไหนที่ไม่ดีแล้วก็นบีสั่งลาตาสม บ, บุร์ดาลกยาดาวันเวลาของอัลลอฮ์ วันจันทร์วันพุธนาฬิกานาพุทธาธิวันศุกร์ดีหมดถ้าเราไปหาหมอดูหมอดูเขาว่าอย่าแต่งงานขังแรมนะใช่หรือไม่ใช่หมอสั่งเลยขังแรมไม่ดีเอเ อ, เอาเรื่องเอาเรื่องมามาวิเคราะห์อย่างนี้ขังแรมมีอยู่กี่วันสิบหวันใช่หรือไม่ใช่ตัวล้องว่าสิบ้าวันมุสลิมแต่งงานได้ไหมไม่ได้ถ้าเชื่อคุณฟากานู น, นะสิบห้าวันแต่งแต่งแต่งแต่งไม่ได้แล้วแล้วหมอก็บอกต่อไปอีก วันขี้หรือวันคู่อเห็นไหมวันคู่ไม่ดีต้เอาวันคี้เอาเหลือกี่วันเหลือของมาสิห้าวันใช่ไหมวันคู่หายไปแลกกี่วันเจ็วันเหลือเท่าไรเหลือเจ็วันทุนลงมาเดินทางความยืตกจะเจ็วันเังไงถ้าใช้ปัญญาไม่ใช่เนี่ยเห็นไมพี่น้องฉะนั้น และจะสมบุรดารุยาดาวันเวลาฟ้าอินนัลลอฮฺวะดารุเพราะอัลลอฮฺเป็นเจ้าของเวลาดีหมดเลยครับอ้าวนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตวันจันเห์นไหมแต่นบีพูดว่าคันใครที่ตายวันสุขคนได้เป็นการตายที่ดีมากแต่นบีตายวันวันจันน่ะคิดดูสิที่อัลลอฮฺทั้งหมดจะนั่นยาไปกำหนดวันหนึ่งวันหนึ่งวันใดเป็นวันดีดีทั้งหมด แต่ไปเยี่ยมกูโบนบีสา่อีกอย่าไปจำกำๆๆๆหนดกาหนดเจาะจงต้องไปเยี่ยมวันศุกร์อย่าๆๆๆๆๆจอยาอย่าอย่าหนดวันอีดอย่าไปกําหนดวันไหนก็ได้เอารอบเปิดโอกาสให้ภรรยาลูกลูกสาวลูกชายไปกูโบได้ตรงเวลานี่แหละแต่อย่าไปเจาะจงพอเจาะจงพับไม่ได้แต่บางท่านคนคนฉลาดเหมือนกันทำฮะยีเนี่ยฮะจีเนี่ย ฟารดูให้ทํากี่ครั้งวาจีบกี่ครั้งครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ไปอยู่คนแน่นไหมแน่นสงสารผมเคยถามอุลามานในีซาอุดีก็นั่งคุยกันเนี่ยว่าบอกคุณทําวายีป่ะฉันทําวายีครั้งเดียวทําไมบ้านอยู่ติดกับมากาักกะจันไม่ทําทุกปีละ่ะเปิดโอกาสให้คนไม่ใช่ไม่ใช่ซาอุดีนะ่ะ คนอเมริกายุโรปไทยญี่ปุ่นไปทาถ้าอาหรับออกมาอีกกันแน่นไหมแน่ น, น, นท่านฮัจย์ค้งเดียวพอแล้วถ้าจะทําให้ทําอุมร้อทาเดือนไหนอุมร้อทาเดือนระมดอนผลบุญเท่ากับทํฮหจย์นี่คนฉลาด อย่าไปทำมั่วพี่น้องต้องตรองนึกเ่องนี้จะโอ้ท่นจะจะทําอุ้ม ร, นะ ร, ร้อนนะผลบุญเท่ากับหัจีทําอุ้มร้อนในเดือนรอมาดอนเดี๋ยวนี้คนรู้หมดเลยใช่ไหมเต็มเลยแน่นไหมแน่นคนรู้กันหมดแล้วมาก่อนที่ไม่ใครรู้เราแอบไปทําสบาย <laughs> เดี๋ยวนี้มันรู้กันหมดแล้วทำฮัจีในเดือนรอมาดอนทออเท่ากับทําอุ้มร้อนเนี่ยเดี๋ยวรอมาดอนเท่ากับผลบุญเท่ากับทำฮัจีดีไหมดีมากครับอัสซอมานเดี๋ยวถามว่าไงนะอยากให้ ครออธิบายว่าการทำบุญของญาติพี่น้องเป็นพุทธกับการทำบุญของมุสลิมต่างกันอย่างไรทำบุญของญาติพี่น้องที่เป็นพุทธกับการทำบุญของมุสลิมคือคนพี่น้องชาวพุทธเราเนี่ยเขานับถือใครออปัญหาใหญ่าถามตรงนี้เขาศรัทธาต่ออรรไหมศรัทธาหรือเปล่าไม่ไม่ศรัทธา การทําบุญนี่นะสําหรับคนที่มาใช่มุสลิมผมแนะนําอย่างนี้นะความดีที่เขาทำใช่เช่นเขาเอาเชิญคนมาทานอาหารที่บ้านร้อยคนเขาทาความดีใช่ไหมเป็นความดีครับแต่ผลบุญของเขาอัลลอฮ์ตอบแทนให้บนโลกดุนยาใบนี้เลยวันอาคริรับผลบุญของคนกาเฟตไม่มีอัลลอฮ์ตอบแทนให้บนดุนยาใบนี้เลยครับ ส่วนคนมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เวลาเข า, เขาทําบุญเนี่ยเขาได้สองโลกอะดุนยาก็ได้อาขีร้องก็ได้ต่างกันนะอา้าวเป็นร้องอยากจะทําบุญได้กี่โลกดีถ้าได้สองโลกคนทําบุญต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ต้องเชื่ออัลลอฮ์เชื่อวันอาขีรอเชื่อ เชื่อแล้วตาแล้วต้องฟื้นนั่นก็เรียกว่าทำบุญในโลกอาคีรอดบรบุรุด้ด้วยมีคนอยู่คนหนึ่งชื่อยะ ด, ดาร์นองทเขียนชื่อโอเดียนยะดอร์ยะดาร์ดดานี่เป็นคนในสมัยท่านนาบสีสุลตสมมานไม่ใช่มุสลิมเป็นคนฝังกันโน่นอยู่กับท่านนาบีนี่แหละมาถามท่านนาบีวยยาระโซลลอมีคนมาถามถึงยะดอยะดารไม่ถามเองนะ ยนานาเนี่เป็นคนดีชอบทําบุญแล้วก็ติดต่อกับเครือญาติเก่งมากเลยทําบุญเยิอนเชิญญาติพี่น้องมาไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องทําบุญเลี้ยงอาหารคนยากคนจนแล้วก็ทําดีกับพ่อแม่อย่างดีเลยเอลัลลอฮฺบอกว่านบีถามถานนบีว่าเขาจะได้ผลและบุญตอบแทนในโลกอาคีราไหมเรียบวกไม่ได้ถามว่าทําไมทาไมว่าไม่ทํามันไม่ได้ มันมีต่อ ว, ว่าเพราะยัตตอานไม่เคยขอดุอาบทนี้ทางชีวิตของเขาไม่เคยขอไม่เคยเคยไม่เคยขออุอาบทนี้รอบบิกฟิลีขอตีอาตีเย้ามัดดีรอบบิกรฟิลีแปลว่าโอ้ Allah, อัลลอฮ์ผู้อวยบานของฉันอิกฟิลีโปรดอภัยโทษให้กับฉันขอตีอาตีความผิดของฉันเย้ามัดดีนในวันอาคีรอ ยันอา่านไม่เคยขอดูอาบทนี้ทั้งชีวิตของเขาเห็นยังครับฉะนั้นคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์พี่น้องคนที่ไม่ศรัทธาต่อแล้วทำความดีบนโลกดุนยาอัลลอฮ์ตอบแทนให้บนโลกดุญญนยาแบบนี้เลยรู้ไหมเขาตอบแทนกันแบบไหนนบีสอนเองนะครับอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ในรูปของอาหารในรูปของอาหาร อ, าอ้าวนี่ผมได้รับ มีคนโทรศัพท์มาเนี่ยแฟนขัดพวกเราเนี่ยโทรศัพท์มาจ้านวันนี้ฉันไปกินอาหารน่ะเป็นคนมหาเศรษฐีคนหนึ่งจากมาเลเซียมาไปกินอาหารกันสี่คนไปร้านอาหารซีฟู้ดในเมืองไทยตรงไหนไม่ทราบกินกันสี่คนละสั่งปูมาปูนี่ตัวละสองพันสรุปแล้วคืนนั้นกินกันสี่คนหมดไปประมาณแส0 0 0 0มืนเท่ากับทำฮายี1หนึ่งครั้ง โทรศพัพท์มาหาผมครูบอกโหเนี่ยผ ม, มนึกถึงข้อที่บนนี้เลยไง น, นบีบอกว่าคนที่ทำความดีบนโลกดุนยาที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์อัลลอ์จะตอบแทนเขาในรูปของการกินอาหารราคาแพงๆนั่งในห้องแพงๆพัตตาา ร, ราคาแพงๆกุ้งตัวแพงๆแล้วกินกุ้งตัวละสิบบาทห้าบาทกินชาทะเลไปเสียตังฟรีแต่ของเขาต้อง ตัวละสองหมื่ตัวละองพอย่างนี้เป็นต้นให้จ่านใครไปนอนนี่ไงอัลลอฮ์บอกกับนบีคนกาเฟตอัลลอฮ์จะให้เขาอยู่สบายบนโลกดุนยาไปนี่นอนที่นอนสบายๆมีผู้หญิงเปลี่ยนทุกเดือนเลยไปน้องมาตรงเมียก็ด่าใช่ไหมแล้วก็อาหารการกินสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แพงๆไปนองมานดูมุสลิม สงสารพี่น้องมุสลิมนะทั่วโลกเหมือนกันหมดเลยยิ่งอุลามาอินเดียผมอยู่สัมผัสมาไม่รู้พี่น้องครับอยู่แบบสมร t จริงๆวิมอนาอ บ, บุลฮัสซันพี่น้องอัลลอฮ์าอักบัตชายตังเกือบจะไม่เป็นนั่งรถสามล้อมาจากอเมินาบัดมานัด่าที่พื้นที่เสืออยู่มาถึงบอกให้อะไรนะสามล้อไปเอาตังที่ออฟฟิศไม่มีสตังคิดเดดตัวนั่นอุลามาระดับโลก เราเบียร์ด์เชิญไปไประชุมทุกช่ว ท, ท, ทุกปีไปน้องไม่มีการติดตัวเขียนหนังสือไปน้องพอได้รางวัลเอาไปเอาไปน่ไปประเทศออสาาเตรเลยรียเอเราหนังสือที่แต่งไว้นะเป็นหนังสือที่ดีที่สุดในโลกอะเขาให้รางวัลพอได้รางวัลมาไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านไปน้องครับไม่เคยพากลับประเทศอินเดียเลยไม่เคยพากลับได้มาก็ส่งหมอบไป การุณนาะเอาเงินรางวลของฉันจะเป็นกี่ล้านดอลลาร์ก็าตามนะเอาไปแจกคนแอฟริกาคนยากคนจนไม่พากลับประเทศอินเดียทั้งที่อินเดียก็ต้องการสตังห์แต่ไม่เคยพากลับนี่อุลลามะไปเนาะตามมันจุตามกันเยอะชีวิตการเป็นอยู่ต่างกันฉะนั้นคนกาเฟสที่ทําความดีบนโลกดุญญนยาใบนี้ไปเน้องครับอัลลอฮ์ตอบแทนให้บนโลกดุญญนยาใบนี้ก่อนตายหลังตาย ไม่มีเลยพี่น้องอธิบายว่ไหนอัลรอฮ์มานีอัลลอฮิมอัลลอฮ์มานแปลว่าอัลลอฮ์เีเมตานะคนทั้งหมดบนโลกโลยาไปนี่จะเอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ล่เลี้ยงหมดเลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมือ่ออาจจะดีกว่าคนมุสลิมอยู่กระดาษอย่างฟาโร่โดีกว่าไหมครอบค ร, รัวฟาโร่นะพี่น้องมีคนดูแลครอบครัวเดียวสามพันห้าร้อยคนสามหมื่ห้าพันคน สามมืนห้าพี่น้องมีองครักษ์สามหมืนห้าพันดูแลคนครอบครัวเดียวสบายัหมโฟโยิ่งใหญ่แต่อาคิดว่ได้ไะไม่ได้เลยฟาโร่ศพอยู่ที่มัมมี่ไปดูสิครับเป็นไงครับพี่น้องผมอ่อนอานอีแคดิสหนึ่งนะพูดถึงการบริจาคพี่น้องการบริจาคนี่ดีมากเลยนะรู้ไหมบริจาคนี้ได้อะไร สอดอกก็นี่ได้อะไรไมันมี่สี่รายการหนึ่งสากาสดสองสอดอกก็สาฮาดีอะให้ของของงวัญสี่ทำวากาฟสี่รายการเป็นความดีหมดเลยไปน้องสอดอกก็นะสอดอกก็อย่างเดียวนะสอดอกก็นี่เป็นการดับใครที่จา่ายสอดอกก็เป็นการดับเป็นการระ ง, งับความเกลียวโกรธของอัลลอฮ์อยู่กับตัวเรา เราไม่รู้จะเอาทำอะลรอเล็โกรดเถืองมีหรือเปล่ามีครับเาไม่รู้อะไรบาทีทำโดยความไม่รู้งอเล็กก็โกรธพออเลอกโกรธวิธีดับความโกรธก็คื อ, อสอนแล้วก็บริจา์ไม่ใช่สาการ์นะสอนแลก็พิเศษให้ให้อะไร0 0 1,000, พั0 0ม0่0ส0 0 0ม0 0 0แ0นองแสนอาสั่งอาคารสั่งโรงเรียนอาไป ไปน้องเรามีความโกรธเอาล้อกโกรธเราเพราะเราทำความดีไม่ถึงทำความชั่วหลายหลายอย่างไปน้องพิธีดับความโกรธของอลัลลอฮฺคือการบริจาคอาลัลลอฮฺดีไหมดี ม, มากครัีการบริจาคไปน้องคือการเนี่ยอย่างเราเป็นเป็นเจ้านี้คนนี้เป็นลูกนี้เราที่ไม่หน่ะ วิธีวิธีทวงไม่มีแบบที่แบบโหดๆมีไหมซื้อเพิ่มลงบ่อยๆแล้วไปตบเข้าไปเตะเข้าไปยิงประตูเข้าไปสารพัดน่ะสองไปแจ้งจับติดคุกติดตารางมีไหมนี้ครับมีทั้งหมดนั่นแหละแต่น บ, บีสอนดีนะเจ้านี่ให้ผ่อนปลนลูกนี่การผ่อนปลนลูกนี่หนึ่งปีทุกวันเป็นการศรดกหมดเลย ผลและบุญซาตากะซาตากะซาตาระโอ้โเห็นมัชชีตอะไรเนี่ยผล บ, บุญเต็มเลยผล บ, บุญที่เราเป็นเจ้านี่แล้วก็ผ่อนปลลูกนี่ถ้าหากเราไปดูแลผ่อนปลแล้วหนึ่งปีแล้วไปที่บ้านมันไปเช็คแล้วไม่มีความสามารถที่จะใช้นี่คืนได้ทําไมทำไมยกเลยพอยกปั๊บพอเรายกปั๊บกลายเป็นร่มเงาในวันเตียมมาให้กับเรานี่ไงซาตากะไปทอง วันเกียรมากไปน้องดวงอาทิตย์ห่างราวนิดเดียวนะ่ะวันนั้นนื้เหงื่อเต็มไปหมดไปน้องเรือแล่นได้สบายเรือเนีบีนวดแล่นสบายสบายไปน้องเพราะเหงื่อของคนเราก็กลัวพี่น้องแค่นั้นถ้าเราเป็นลูกหนี้พ่เจ้านี้พ่แล้วมันใช่นี่ไม่ได้ยกหนี้พี่น้องจะไปปกป้องความรอนในโลกอาคีรัตนี่ไงคิดถึงอาคีรัตเยอะๆอดีไหมดีทำยังไง ผมยกนี่มาเยอะไปเนาะวัะนละใครมาคอยือนเน่ะผมถามขอยืมเท่าไรขอยืมห้าพัน 5, อ๋งี้ผมให้คนละสองพันจบพราเรารู้ว่าพอขายืมปั๊บเนี่ยพอไวมีให้มั 5, มนหลบหน้าใช่ไม่ได้หลบไปก็หลบมาเราหยุดชลาะมันก็หลบโหสงสารอะผมตั้งกับตั้งคองคิดว่าใครจะมาคอยืมเงินเนี่ยนะขอยือ 5, มห้าพันผนมะให้เลยสองพันไม่จะขอยืมนะให้เลยฮาดียาเลยสองพันจบ ก็ได้คุยก pues um ันได้วันหลังพวกมันมันก็ไม่หายกันหาหาพวกหมดไปยินละคนสองคนหายหมดเลยวิธีวิธีที่ผมได้มันจากวุฒิมาอินเดียามหน้าจาวูซานเนี่ยนั่งคุยกันเลยสุภานะก็รอคุมาบีห้มดีกว่าเฉลยอยู่แล้วอยู่แลอันนี้อัสตักว่าตัวบิลสลามมกอุเกาตอมีคำถามอีกนี่อ๋อทำอุมรอนเนี่ยเดียวอมรอนถ้าเราทำมายีแล้วจะต้องไปทำฮัอีกหรือไม่พี่น้องครับ ทำหัีก่อนนะครับหนึ่งครั้งนะแล้วก็คนมันเยอะเนะี่ยสงสารคนอื่นให้พวกญี่ปุ่นไปบ้างก็ได้นะให้จีนไปใช่มเราไปครั้งเดียวนะพอแล้วฮัจีนะส่วนจะได้ผลบุญฮีเนี่ยให้ไปทำอุมร้อยในเดือนรอมฎอนทำครั้งเดียวพอฮยีนะสองสามอย่าไปเลยให้คนอื่นไปทาอะไรเนี่ย ต่างขอดตอากุลยา5ครั้งในรักกอา่านอะไรเนี่ยเขียนภาษาไทยนไม่ใช่ภาษาลาวนะเออตัดฮัดยุด่าตัดฮัดยุดตัดฮัดยุดอ่านตอากุลยาอ๋อ5ครั้งในรักกอ่านเดียวได้ไหมได้10ก็ได้ ห้าก็ได้เปน็น้องคัดมันยาวๆยืนนานๆหน่อยอ่านกุณยาห้าครั้งห้าเที่ยวได้ไหมได้ก็เราท้าวเราท่องได้กุญยาอย่างเดียวน่ะก็อ่านอย่างเดียวนั่นแหละบางคนอ่านกุณฮวัลลอย่างเดียวต้นอื่นยังท่องไม่ได้อยากจะยืนนมานานๆว่าไปเลยห้าเที่ยวได้ไหมได้คนเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจครับก็ อ่านกูอั น, อ น, นอก็ในผลกบุญมากนะครับอ่านะครับ